มาครั้งแรกเลยตามเขามาตั้งใจจะมาถามคำถามสะค <ขอ S 1> ่ะขอที่พา ม, มาเลยว่ามาเลย <c oughs> คือครับปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์ <c oughs> ใช่ไหมคะก็เหมือนเรียนหนังสือ็ม่ต้องมีอาจารย์ด้วยเ่าค่ะทีนี้เนี่ยทำไมตัวเองเวลาแบบขนใจธรรมะเาเป็นยี่สิบปีแล้วนะค ะ, ะแต่ทำไมแบบมางกับวว่าก็เลย อยากจะทราบว่าเออจริงๆแล้วแนวทางของเราเป็นยังไงกันแน่เพราะว่า เ, ออเหมือนกับว่าไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปกล่าวแล้วกลับมาเนีคะแต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับแบบดูลมหายใจแล้วก็พุโทโธ mm hmm. พุธโทพธโธนี่คือเวลาที่เราตื่เต้นหรือเวลาที่เราอะไรเงี้ยก็พุโทโธ mm hmm. แต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยก็พยายามดูลมหายใจแต่ว่าไม่ได้ดูต่นเนื่องคือเหมือนใ mm hmm. นหนังสือที่ที่พูดเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ นั่งนี่ไม่แน่ใจว่าสงบหรือไม่สงบคือบางทีก็นิ่งสบายแต่บางทีก็เรื่องมันเยอะอะค่ะอาจารย์เออแล้ววิธีปฏิบัติที่ทําอยู่ก็เลยเหมือนกับว่าใช้วิธีเหมือนเคยอ่านหนังสือโยนิโสมนัสิการก็คือเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ให้กลับมาดูที่ใจแล้วก็พยายามละอะไรที่เป็นอกุศลอะไรที่เป็นกุศลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามวางแต่บางวันก็บางเรื่องก็วางได้ชั่วโมงนึงบางเรื่องก็ตั้งหลายวันนะคะสามสี่วัน ถามว่าก็พัฒนาขึ้นโดยความที่ของตัวเองค่ะว่าเราพัฒนาขึ้นตรงที่ว่าพยายามมีสี่ให้มากที่สุดแล้วก็พยายามปฏิบัติแต่ว่าพอจะถามว่าชอบมีคนถามว่าไปวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบงงๆตัวเองค่ะเพราะว่าก็ไปกราบพระอาจารย์มาหลายวัดแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่า อันนั้นแหะเหมือนกับไปเรียนโรงเรียนหลายโรงเรียนอ่ะพี่ทราบเลยครับอาจารย์ต่นี้งงๆกันเลยก็เดี๋ยวก็ไปจุฬาเดี๋ยวก็ไปธรรมศาสตร์เดี๋ยวก็ไปมหิดลเดี๋ยวก็ไปเกษตรปัยมันหมดทุกโรงเรียนนี้แต่โรงเรียนเขาก็อาจจะสอนไม่เหมือนกันก็เลยเราก็เลยเอาหลายวิชา วิธีมาปฏิบัติปนกันนะมันก็เลยไม่เกิดผลพราะการจะเกิดผลนี่มันต้องต้องเบื้องต้นต้องเข้าใจหลักของการปฏิบัติก่อนนะว่าที่เราพุโทโธกันเราดูลมกันนี่เราทำเพื่ออะไรอันนี้รู้สึกจะไม่มีใครบอกเลยมั้งทำเพื่ออะไรชอบอ่าน นั่นถามที่ให้ดูพุโทโธที่ให้ ด, ดูลมเนี่ยทําเพื่ออะไรเพให้จิตมีที่เกาะแล้วเมื่อมีที่เกอะปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้จิตนิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะเมืมอ่อจิตนิ่งจิตก็จะมีพลังค่ะคืะคอจิตก็อ่านเยอะมันก็เลยหลายหลายอันอย่างเช่นแบบมีพลังปุ๊บ ก็สามารถที่จะแบบพิจารณาโดยใช้ปัญญาต่อไปได้หรือเป็นการพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นการปรับธาตุขันเหมือนอาจจะตังตามมหาค่ะเยอะก็เลยว่านำมันได้แล้วยังอ่ะได้ได้ยังอะคะออแต่ถ้าไม่นั่งนี่จะยิ่งแย่แบบนี้ค่ะออคือเวลาที่จิตแบบวุ่นวายอะชีวิตมากๆเนี่ยที่ดีที่สุดคือนั่งสมาธิออแต่ถามว่าสงบไหมมันมีสองแบบอะค่ะแบบที่มันยุ่งมากๆเนี่ยนั่งแล้วมันไม่สงบแต่มันก็ดีขึ้นกว่าไม่ทําอะไร กับวันที่สองคือบางครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกนิ่งไปเลยได้แต่ว่าความนิ่งของเรามันไม่เหมือนที่อ่านในหนังสือนะคะมันคือนิ่งแต่ว่านิ่งแบบสบายแต่เราจะรับรู้ทุกอย่างแล้วก็แต่ก็ยังไม่เหมือนในหนังสือที่เขียนอยู่ดีอะค่ะก็เลยไม่ค่อยทราบว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงกันแน่ก็เลยมาปรึกษาท่านดีกว่าคะ<อ>่ะอเพราะว่าจะปรึกษาใครขอาคุณค่ะ อ, อการปฏิบัติเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยมันไม่นิ่งใช่ไหมมันคิดอยู่เรื่อย แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาทีนี้เราไม่มีความสามารถที่จะหยุดมันเพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะหยุดมันคือไม่มีเบรก r e a k ก็คือสติสติที่เรามีมันมีในระดับต่ำคือถ้ามันจะไปทำผิดศีลนี่เราเบรกมันได้ ถ้ามันคิดว่าจะไปขบวนข้าวของใครนี่เราก็เบรกมันได้แต่ถ้าจะให้มันไม่คิดเลยนี่เรายังทำไม่ได้เป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นน่ะต้องไม่ให้มันคิดเลยมันถึงจะนิ่งถึงจะสงบถึงจะมีกำลังขึ้นมาแล้วการที่จะให้มันนิ่งนี่มันก็ไม่ใช่เฉเพาะมาทำแต่เวลาที่เรานั่งเราต้องทำตั้งแต่เราตื่นเลย พอเริ่มต้นพอเตือนตาร์ตชีวิตวันใหม่ปั๊บมันเริ่มคิดเราก็ต้องหยุดคิดเลยคือมันจะต้องคิดนู่นคิดนี่อะไรตามภาษาของมันไปซึ่งบางอย่างมันก็จําเป็นจะต้องคิดแต่มันถ้าสิ่งที่ยังเป็นจะต้องคิดเนี่ยมันไม่มากคิดแค่หวินาที10วินาทีก็ได้เสร็จแล้วเช่นวันนี้วันวันอะไรไปทําอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหร่ คแค่ในห้านาทีห้าวินาทีสิบวินาทีมันก็เสร็จวันนี้ต้องไปทำงาน่อไปแต่งเนื้อแต่งตัวทาอะไรไปตอนนั้นก็อย่าไปคิดเลช่วงที่ไปเตรียมตัวจะไปทำงานนี้ก็อย่าไปคิดมันก็ถ้ามีสติก็บอกหยุดคิดหยุดคิดให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังอาบน้ำก็ให้มันอยู่กับการอาบน้ำกำลังแปรงฟันก็อยู่การแปรงฟันล้างหน้า หวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารอันนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องไปคิดเรื่องงานที่สำนักที่ที่บริษัทเน่ยัยงไปไม่ถึงไว้ถึงไว้ที่นั่นแล้วค่อยไปคิดเรื่องงานกันแต่ตอนนี้นอกจากจําเป็นจะต้องคิดล่วงหน้าไว้ก็คิดได้แต่มันต้องมีเหตุมีผลไม่ได้คิดแบบวุ่นไปหมดคิดถึงคนนั้นเรื่องนี้คนนี้เรื่องนั้นอะไร ปะปนชนกันไปหมด เ, เคยพยายามให้กําจัดความคิดที่ไม่ยําเป็นต่างๆออกไปให้หมดก็ไม่มีกําลังหยุดอะไรไม่มีเครื่องมือไงถึงบอกให้ต้องมาสร้างเครื่องมือเครื่องมือก็สองมีสมีสี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมาฐานสี่สิบนะเนี่ยที่เราใช้กันที่กูบาอาจารย์สอนที่มันสะดวกมันง่ายที่สุดก็คือบริกรรมพุทโธไป พอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปลุกขึ้นมาก็พุทโธเดินก็พุทโธอาบน้ําก็พุทโธล้างหน้าก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธพุทโธไปออันนี้ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าไม่สร้างก็ไม่มีวันที่จะได้ความสงบไม่มีความนิ่งเวลานั่งมันก็จะคิดของมันอืม ถ้าเรายังไม่มีสติเราไม่มีวันที่จะนั่งสมาธิได้ผลอที่เคยอ่านนะคะพูดโทก็มีอยู่สองแบบแบบหนึ่งบางคนบอกว่าให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็บบหนึ่งก็ฟังเราเส็แเราบอกพูดหายเข้าพูดออกก็ป่ะก็ฟังเราเสิสมาที่นี่ก็ฟังเรา พธูททลแล้วตอนนั่งสมาธิก็ไม่ต้องอ่านาแเหรอคะไม่ต้องดูลมก็ยังไม่ได้พูดถึงตอนนั่งสมาธิเลย อ, อ, ะอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อะให้มันกอไก่ขอไขไ่ไ <c oughs> ให้มันได้ก่อนเลยทำอันนีทท้ให้มันได้ก่อนลองทําดูเนีทั้งวันพุทโธไปอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ถึงเวลานั่งสมาธิก็มีสองทางเลือกจะพุทโธต่อไปก็ได้หรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ เนื้อจะเอาสองอย่างปนกันก็ได้พูดเข้าวโถวออกก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพอใจคือเป้าหมายก็เหมือนเดิมคือไม่ไปคิดถึงลาบยศสรรเส ร, ริญไม่ไปคิดถึงลูกเสียงเกียรติไม่ให้คิดถึงทุกอย่างแลย้ยิ่งเวลานั่งสมาธินี่ไม่ให้คิดหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงงานการเงินทองอะไร ตัดหมดเลยตอนที่นั่งสมาธิแม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดนะให้อยู่กับลมอย่างเดียวหรือยอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรือจะพุทเข้าโทออกก็ได้ออันนี้ไม่ไม่ได้มีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนพุทธานุสติหรืออาณาปณะสติแต่บางคนเขาขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งขอผสมกันขอพุโทโธกับอาณาปนกัน ก็ได้ถ้าทำแล้วนะมันหยุดความคิดได้ทำให้ใจสงบก็ไม่ว่ากันถ้าเราไม่มีสติก่อนจะมานั่งมันก็เหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้นั่งมันก็คิดของมันไปพอมานั่งมันก็อย่างที่เล่าใช่ไหมอยู่กับพุทโธได้สองคำก็ไปแล้วอยู่กับลมได้สองสามรอบก็ไปแล้วเพราะเราไม่ได้ฝึกหยุดคิดกันมาก่อนพอถึงเวลามานั่งนี้มันก็ไม่หยุด มันกับท่องในใจหรือว <ney> ่าหรือว่าตั้งอยู่ในใจเลยค่ะครัอาจารย์เวลาคิดมันคิดอยู่ตรงไหนล่ะมันก็เหมือนกับเราก็นึกคาว่าพุทโธพุทโธอ่ก็มันเวลาคิดมันไม่ต้องไปถามมันตั้งอยู่ตรงไหนพอมาพุทโธนะไม่ต้องไปตั้งแลมันก็ความคิดเหมือนกันอ่ะก็หยุดคิดเพียงแตวให้คิดพุทโธแทนคิดอย่างอื่นเวลาคิดกินขนมคิดกินกาแฟมันคิดอยู่ตรงไหนล่ะไม่ต้องไปถามเลย่ะ พอมคิดพุดโทโธลงมาถามมันเป็นให้มันตั้ง อ, อยู่ตรงไหนพุโทโธแบบนกขุนทองหรือเปล่าใจไม่ตั้งหรือมันม่นอยู่แบบพุโทโธที่ใจจริงๆเลยอย่างนี้เราก็เราเป็นคนปฏิบัติเราก็ต้องดูเองเนี่ยเป็นนกขุนทองหรือตั้งใจหรือเปล่าใครยังมาดูเราได้นะก็ดูเสียเว่าพุโทโธแล้วเราคิดเนี่ยเวลามันก็มีอยู่สองอย่างนะนั้นะถ้าเราคิดกระแสดงว่าเราไม่พุทโธอืหรือมันอาจจะ แทรกเข้ามาได้ก็อย่าไปสนใจมันให้ดูว่าเรายังมีพุทโธอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีพุทโธอยู่เราก็พุทโธพุทโธของเราไปส่วนความคิดอื่นมาจะแทรกเข้ามาแวบเข้ามาแวบเข้ามาเราก็อย่าไปสนใจมันขอให้เรารักษาพุทโธอยู่อย่าไปติดกับความคิดพอความคิดมาก็เลยไปกับความคิดเลยพุทโธหายไปเลยอย่างไั้นก็ท่านตั้งเือพระอาจารย์นี่ก็ให้คิดพุทโธไปด้วยคนละเรื่องแล้วนี่เห็นะ เมื่เวลาคุยกันมันก็ต้องฟังที่ดูที่คุยกันด้วยไปพุดโทรมันจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอะไรวะเนี่ยในพุทถึงเวลาอยู่คนเดียวอ๋อพูดถึงเวลาอยู่คนเดียวออเวลาอยู่กับคนก็ต้องก็ต้องมีสติอยู่กับคนด้วยเขากําลังจะพูดอะไรเราก็ต้องฟังมีสติฟังเขาจะทำเขาจะทําอะไรแล้วก็มีสติดูถ้าเขาจะมาทุบเราเราก็จะหลบได้ มีสติดูเวลาเราอยู่กับเหตุการณ์ก็ต้องอยู่กับเหตุการณ์ไม่อยากไปอยู่กับพุทโธนั้วนะขับรถก็ต้องอยู่กับขัดการขับรถอย่าไปอยู่กับพุทโธมนะีพุทโธพุทโธรถถึงสี่แยกก็ไฟแดงก็ไม่หยุดไงล๋อที่เราคําว่ามีพุทโธในใจตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เวลาที่เราไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรไงไม่ทําอะไรหรือว่าเราเราทําในสิ่งที่เราสามารถที่จะมีมีพุทโธได้เราก็มีไป อย่างที่เมื่อกี้บอกอาบน้ํามันก็มีพุโทโธได้เพราะว่าถ้าไม่มีพุโทโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเราต้องมีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็เราก็ไม่ต้องพุโทโธเช่นการขับรถเนี่ยเราก็ต้องมีสติอยู่การขับรถนะหรือถ้ามีขับรถแล้วมันยังคิดได้เราก็เราก็ใช้พุทโธหยุดมันได้ถ้าเราขับรถไปยังคิดถึงคนโน้นคนนี้อยู่แล้วก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมัน แต่ใจก็ต้องอยู่กับการขับรถเป็นหลักหรือถ้าเรามีสติดีๆอยู่กับการขับรถมันก็จะไม่ไีคิดเรื่องอื่นถ้ามันไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าสติมันไม่อยู่กับการขับรถแล้วใจมันลอยไปแล้วใจมันลอยมันก็ใช้พุทโธเดึงกลับมาดึงกลับมาเรื่องให้มันอยู่กับการขับรถแล้วอย่างนี้ที่ทำอยู่ทุกวัน อย่างเช่นเราทําขัตการคนไข้อย่างนี้ยค่ะงานที่เราทําไปใจเราก็พูดโธตลอดเนี้ยก็ไม่ถูกสิคะค่ะนองใจก็ต้องอยู่กับคนไข้สิทําทําผิดทําถูกฉีดยาฉีดยาเอาเกลืแล้วมันจะมีช่องว่างให้พูดโธได้นหมครอาจารย์ก็แล้วก็จะมีโทไปด้วยทําไปด้วยอย่างเนี้ยค่ะก็ได้ถ้ามันถ้ามันถ้งานที่เราทํามันไม่เสียมันไม่มันไม่ผิดมันไม่เป็นไม่ผิดพลาดมันต้องดูงานที่เราทําเป็นหลัก ไม่ใช่อยู่ที่พูดโธเป็นหลักแล้วก็ฉีดยาให้เขาเกินขนาดอย่างนี้หรือเอายาชนิดไม่ถูกมาฉีดให้เขาอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องมีสติกับงานที่เราทําคือใบคขาบอกบางทีจะทําในคนไข้เนี่ยกิจจพูดโทรแถบในใตาให้เขาก่อนขณะที่กำลังมาสมยาเนี่ยเราก็จะพูดโธรด้วยเราจะไม่ไปยืนนิ่งให้เขาเห็นเนี่ยคะ่ะเราก็จะทํานับใจแล้วก็จะพูดโธทําไปพอทําเสร็จปุ๊บตอนฉีด ก, ก, ก็อีกตอนหนึ่ง สติก็จะไม่ได้ผสมยาโดยมือเจริญสติกับการผสมยานะคะแต่ใจจะท่องพุทโธแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ท่องพุทโธแล้วก็ค่อยฉี่อย่าเงี้ยค่ะแผ่เมตตาแผ่ยังไงก็สัตย์สตาอ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่แผ่เมตตาคืออย่าไปเก็บสตางค์คนไข้เลไม่ใช่อ้าวอันนั้นมันท่องมันไม่ได้แผ่อ้าวพูดให้รู้ไงมันไม่ใช่แผ่มันไม่ได้แผ่ แผลก็ต้องอย่าไปเก็บเงินคนไข้เสร็จแล้วคิดเขา้าสิเปอร์ซ็นนี้เอาแผ่เมตตาอันนี้แผลแบบคิดไปในใจมันไม่ใช่แต่ว่าเออให้เขาปลอดภัยนะทําตรงนี้ไปแล้วขอให้เขาได้หายดีขอให้ไม่มีอะไรใช่เลยถ้าเราไม่เก็บตังค์ก็เอาขายดิใช่เหมือนกันเมืนทำมาสัมาอาชีพ <c oughs> ก็อย่าไปคิดเท่าแพงเลยสัมมาอาชีพ ขาดที่เราทำไปด้วยแล้วมีพุโทโธบ้างบางครั้งอย่างเงี้ย ม, มันก็เป็นการถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะในการเจริญสติคือเวลาทำงานอะไรมันต้องดูงานเป็นหลักเข้าใจไนหะอย่าให้มันผิดพลาดผสมยาก็ต้องให้มีทำให้มันอยู่ไม่ใช่ไปพุโทโธแล้วเดี๋ยวเฮ้ย ใ, ใส่ขนาดไหนวะลืมไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ต้องมีสติของงานที่เราทำเป็นหลัก ถ้ามีสติอยู่กับงานมันมักจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นหรอถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่ามันไม่มีสติแล้วมันเผลอแล้วเวลามีปัญหารักษา ค, คานไข้บางทีก็หยิบยาผิดให้คนไข้กินเนี่ยนะเพราะไม่มีสติตอนจัดยามันต้องมันต้องมีสติอยู่กับงานที่เรากำลัำงทำถ้าเราทำงานที่จาเป็นที่สำคัญที่จะต้องไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยต้องมีสติ กูบาอาจารย์ฝึกพระเนนที่วัดเนี่ยเวลาทํางานนี้ท่านให้ให้ใ ห, ให้ไม่ให้มีเสียงเช็ดช้อนเช็ดชามเช็ดทําอะไรนี่ไม่ให้มีเสียงะ ไ, ไ, แบบ ไ, ไม่ให้มีเสียงกระทบกันเช็ดจานเสร็จวางไว้ก็วางแบบเบาๆไม่ให้มีเสียงเช็ดช้อนวางก็วางไว้ไม่ให้มันมีเสียงกระทบอะไรกันอออย่างนี้นเป็นการฝึกสติคือต้องให้มีความระมัดระวัง กับการทำงานก า, การมีความระมัดระวังก็แสดงว่าเราต้องมีการจดจอ่อเรามาเสะติก็คือการจดจอ่ออยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราทำอะไรอยู่ถ้าเราเดินก็ให้มีจดจ่ออยู่กับการเดินเราจะได้ไม่ลื่นหกล้มเราจะได้ไม่เดินไปตกหลุมตกบอ่อไปเตะข้าวเตะของอะไรที่พอาบอกว่าการจงกรมก็ติดโทรม ก็นั้นก็พุโทโธถ้าเรายังไม่มีสติพอที่จะอยู่กับการเดินได้เราก็ใช้พุโทโธเดินกลับมาก่อนถ้าเราเดินแล้วเราคิดด้วยเปื่อยไปมันไม่ยอมมาอยู่กับการเดินก็ให้ใช้พุโทโธเอนคือเราพูดหลักดีกว่าหลักการของการปฏิบัตินี่กาส่วนวิธีการนี้แต่ละคนก็ต้องไป จัดการเราเองไปเลือกเราเองว่าจะเอาหนักยังไงหลักก็คืออย่าให้มันลอยอย่าให้มันคิดให้มันสักแต่ว่ารู้ให้รู้อยู่ว่ากําลังทําอะไรถ้านั่งก็ให้รู้ลมถ้าเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินถ้ากําลังฉีดยาก็ให้รู้กําลังฉีดยาไม่ใช่ฉีดยาไปแล้วคิดถึงเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินอะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดีแสดงว่ามันใจมันไม่อยู่กับ ใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วมันไม่อยู่กับมันไปใจมันชอบลอยไปอดีตลอยไปอนาคตลอยไปที่อยู่ที่นี่บางทีใจตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วก็ได้เอะตอนนี้กรุงเทพมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าคิดไปถึงนู่นมันต้องอยู่ตรงนี้เช่นเวลาฟังในใจก็ต้องอยู่ที่การฟังฟังเสียงที่กำลังพูดอยู่ถ้าเราไม่ฟังเสียงเราไปคิด เราก็จะไม่ได้ยินเสียงได้ยินก็เหมือนกับไม่ได้ยินเพราะเราจะไม่เข้าใจเพราะใจเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังใจเรากลับไปลอยคิดเรื่องอื่นแทนอันนี้ก็คือหลักของการปฏิบัติก็คือต้องการดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้ลอยไปอดีตไม่ให้ไปลอยไปอนาคตไม่ด้วยความคิดลอยไปด้วยความคิด ให้มันสักแต่ว่ารู้เฉยๆให้รู้เฉยๆนี่ว่นี่คือการการมีสติก็คือการให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งก็พูดโทรไปก็อ่ก็อย่าไปรับรู้รับรู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้เสียงตงน้ตงนไม้เจ๋งมาโดดออกมาโป้งมันก็นกไปแล้ะ ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันอันนี้มันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ถ้าเราไปคิดถึงมันก็แสดงว่าเราลอยออกจากปัจจุบันไปหาอาดีตแล้วเขาด่าพุ๊บมันหมดแล้วแต่เรามันยังไม่หมดจากใจเราเรามาคิดต่อให้ hey, มันดา่าเราเนี่ยว่าให้มันว่าเราเนี่ยทำไมต้องมาว่าเราเราก็ไม่ได้ทำอะไรมันเท่าน่อยไปแลนะปรุงแต่งไปละที่อ่านบอกว่าออความคิดแ่จริงๆเนเรื่องของธรรมาธรรมดา นั่นแไปเรียนกันมาหลายที่แล้วเกินก็เลยไม่รู้จะมาอัอาากนนี่เวลาคุณจะมาซื้อกาแฟร้านนี้แก้วคุณเอาแก้วปอบป่ามาไม่ได้นะยา่ยาเอาอย่าเาน้ําชากาแฟที่มันอยู่ในมันใส่เข้าไปไม่ได้ก็อย่างนี้ใส่ได้เพราะว่าชาเองแต่ว่าใส่ยังไงไหลออกไปสักหน่อยเทเทมันทิ้งไ้ให<ไ>้หมดจะได้ใส่ของใหม่ได้ถ้ามงั้นอย่ามาดีกว่าเอามามันก็ใส่เข้าไปไม่ได้ อยากมาไม่ใช่มาตแต่มาก็ต้องล้างแก้วให้มันสะอาดอความรู้ต่างๆที่รู้มานี่ถ้าเรสงสัยถามได้ไหมเจ้าค่ะถามให้ใหใหใคลายสงสัยจะได้ล้างออกได้ถ้ายังสงสัยอยู่เป็นคนที่แบบถ้ามันยังสงสัยอยู่มันต้องให้มันหายสงสยัยมันถึงจะรู้สึกเอาอย่างอื่นเข้ามาได้อย่างนี้เจ้าค่ะก็วิธีแก้สงสัยก็คือล้างมันไปไงวิธีแก้สงสัยคือล้างล้างไม่หมดเลยลืมไม่หมดเลยที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนี้ พาะถ้ามันมนดีจริงปบานี้เราเรามาันรู้ไปแล้วสําเร็จแล้วเขออย่ า, าไหมได้รู้พอาจารย์เคยเขียนหนูเคยอ่านเจอบอกว่าถ้าไม่บวชก็ไม่มีทางมัรู้อ่า อ, อันนั้นมันถึงเวลาที่เราต้องการปฏิบัติเข้มข้นไงการมันเรียนหนังสือเี่ยคุณเป็นหมอใช่ไหมเวลาคุณเรียนหนังสือคุณไปทํางานอย่างอื่นหรือเปล่าทำกิจกรรมอย่างอางื่นบ้าง แ ต, แต่น้อยใช่ไหมแล้วก็ต้องเรียนนักศึกเป็นหลักค่ะอ่านั่นแหละถ้าเวลาคุณปฏิบัติก็คุณก็ต้องปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติกิจกรรมรอื่นก็เพียงกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการการปฏิบัติคือเป็นพระก็ไปบิณฑบาตจะได้มีข้าวกินกินเสร็จจะได้มีกําลังมาเดินโยมกลมนั่งสมาธิแรงงานอย่างอืงอ่นไม่ทํานะยะนะ ก็คุณพูดเรื่องเรื่องขนปฏิบัติคุณเรื่องของชาวโลกมาพูดทําไมมันคนละเรื่องก็แต่ว่าอยากเนปฏิบัติก็นั่นเองก็ถึงบอกวิธีปฏิบัติให้คุณฟังอเวลาคุณอยากจะเรียนแพทย์คุณทํางานคุณก็ต้องไปสมัครเรียนไม่ใช่หรอสมัครค่ะอ่าแล้วเวลาสมัครแล้วเขารับแล้วคุณก็ต้องไปทําตามหน้าที่ของคุณเขากําหนดไว้ใช่ไหมอ่าไม่ต้องสงสัยอ่าก็เหมือนกัน ถ้าจะมาปฏิบัติก็พระพุทธเจ้าก็บอกให้ไปบวชบวชแล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เวลาหลวพุทโธตลอดเลยนะแล้วก็วกลองไม่คิดคิดกำจัดความคิดโดยพุทโธเนี่ยอย่าอย่าเล่าตัวอย่างให้ฟังหลงตา ท่านก่อนที่ท่านจะไปปฏิบัติท่านก็บวชก่อนต่อต้นบวชแล้วท่านก็ไปเรียนหนังสือเรียนธรรมะท่านเรียนได้ถึงระดับประอ่าปรีเอยนสามก็หกปีมื่ท่านบวชหกปีช่วงหกปีแรกนีท่านไปเรียนเรียนนักธรรมตีโทเอกแล้วก็ไปเรียนปรเอียนสามประโย์ตามธรรมเนียมของวัดที่ท่านไปบวชเขาก็จะให้เรียนก่อน พราเขาไม่มีการปฏิบัตินะแต่ท่านได้ไปทราบข่าวของหลวงปู่มั่นว่าท่านเป็นพระปฏิบัติแล้วท่านก็เชื่อว่าท่านเป็นพระผู้ที่สําเร็จบรรลุธรรมแล้วแล้วก็เคยเห็นท่านครั้งหนึ่งก็เกิดศรัทธาก็อยากจะหยุดการเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติเพราะท่านเห็นว่าเรียนมาก็พอสมควรแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติเลย ท่านก็ช่วงนั้นท่านก็บอกว่าท่านก็นั่งสมาธิของท่านตามภาษาของท่านแต่ ว, ว่าช่วงหกปีแรกนี้ท่านเคยนั่งให้จิตรวมได้สามครั้งขนาดบวชนะอแล้วเราพวกไม่บวชนี่ยเเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้จบ <c oughs> <c oughs> ฟังช่วยๆ <c oughs> แล้วท่านก็เลย <c oughs> ขอลาพระอาจารย์ที่ท่านศึกษาเรียนอยู่ ท่านก็ไม่ให้ไปท่านก็เลยหนีไปเราให้ท่านไม่อยู่แล้วท่านก็ไปเพราะทางอาจารย์ทางเรียนท่านก็อยากจะให้เรียนให้ไปถึงป ร, เริเก้าเพราะนี่เป็นเป็นเหมือนกับเป็นการบรรลุของผู้ศึกษาต้องเรียนจบป ร, ริญญาเก้าแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นการเรียนภาษามันไม่ได้เป็นการเรียนทําอะไรหลักธรรมนี้มันอยู่ในนัก ต, ตรตีโทเอกนี่พอแล้ว ที่เรียนปริเรียนนี่เป็นเรียนภาษาบาลีกันเรียนไวยากรเรียนอะไรต่างๆกันท่านก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะ ม, มีความรู้ทา ง, ทางด้านนี้ในที่สุดท่านก็ไปติดตามหาหลวงปู่มั่นนะก็ไปพบท่านที่ถ้าไปอยู่จำบรรษาอยู่ที่สกล น, นครแล้วนะวันที่ท่านไปวันนั้นก็พอดีโชคดีมีพระที่อยู่กับท่านรูปหนึ่ง ลาไปก็เลยมีที่ว่าง mm hmm. ก็เลยได้ไปกราบท่าน mm hmm. หลวงปู่ท่านก็ทราบว่าเป็นประเรียนมหาประเรียนหลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านได้เรียนมามากพอแล้วความรู้ต่างๆที่ท่านเรียนอยู่ในตอนนี้มันไม่มีประโยชน์เลย mm hmm. ใช้ประโยชน์ไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าใจของท่านนี้ยังไม่มี กำลังที่จะเอามาใช้มันตอนนี้ขอให้หยุดเอาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดนี้แขวนแขวนไว้บนหิ้งก่อนเรามาทำใจให้สงบก่อนมาควบคุมความคิดให้ได้ก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิขึ้นมา แล้วพอหลังจากนั้นความรู้ต่างๆที่ท่านได้เรียนมานี้ท่านสามารถเอามาใช้ในการที่จะปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านไปให้หมดแต่ตอนนี้ความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดคือไม่ใจไม่มีกำลังที่จะเอาความรู้เหล่านี้มาต่อสู้กับกิเลสตัณหา เราต้องสร้างกำลังใจขึ้นมาก่อนกำลังใจก็คือความสงมบเวลาจิตสงบนี้จิตจะมีกำลังสู้กับกิเลสได้เพราะเวลานั่งสมาธินี้ถ้าเราสงบก็แสดงว่าเราหยุดกิเลสได้เป็นแต่ว่าการหยุดกิเลสด้วยสมาธินี่เป็นการหยุดชั่วคราวในการหยุดแบบหินทับหญ้าพอยกหินออกเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกขึ้นมาได้ ตอนนั้นน่ะถึงต้องใช้ปัญญามาถอดถอนร่างเน่าของกิเลสก็คือความหลงต้นเหตุของความโลภความโกรธความอยากต่างๆก็คือความหลงความหลงก็คือไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นทุกข์เราคิดว่ามันเป็นสุขกันแต่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่ว่าเราจะได้อะไรมา สิ่งต่างๆที่เราได้มาในโลกนี้เดี๋ยวเราก็ต้องจากมันไปเวลาจากไปก็ทุกข์ขณะที่ยังไม่จากก็ทุกข์เพราะก็ห่วงกังวลหวงวิตกอะไรต่างๆตอนนี้เรามีความรู้ธรรมะแต่เรารู้ว่าทุกอย่างเป็นตายรักอนิจจงทุกขังอนัตตารู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่เราไม่มีกําลัง หยุดมันปล่อยมันเราก็ยังหามันอยู่ยังยึดยังติดมันอยู่ยังพึ่งมันอยู่ตอนนี้เราพึ่งอะไรพึ่งลาบยศเสรเสริพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกันเพราะอะไรเพราะใจเรามันไม่มีที่พึ่งในตัวมันเองใจมันไม่มีความสุขในตัวมันเองมันเลยต้องหาความสุขจากสิ่งอื่นๆภายนอกใจใช้หาความสุขจากเงินทองจาก ตำแหน่งจากการสรรเสริญเยินยอจากรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆเลแต่มันเป็นความสุขที่มันประเดียวประดาวได้มาแล้วก็หมดไปเราก็เลยต้องคอยหามันอยู่เรื่อยๆหา ม, มาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดไปนี่คือปัญหาของพวกเราเราไม่มีความสุขในตัวเราเองเราจึงต้องมาสร้างความสุขในตัวเรา ความสุขในตัวเราก็คือความสงบเนี่ยที่เกิดจากการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยหรือเป็นคณิกะสมาธิเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราก็จะได้มีกำลังต่อสู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขที่ที่เป็นความทุกข์ เพราะเรามีมีตัวแทนและตัวทดแทนความสุขตอนนี้เราไม่มีเราก็เลยทิ้งมันไม่ได้ตอนนี้เราทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทิ้งราบยศสรรเสริญทิ้งรูปเสียงกลิ่นรถไม่ได้เพราะเราไม่มีของที่ดีกว่าถ้าเรามีของที่ดีกว่าเราก็ทิ้งของที่ไม่ดีกว่าได้เช่นสมมติว่าใครให้รถใหม่เรา เราก็ทิ้งรดเก่าได้แต่ถ้าตอนนี้ไม่มีรถใหม่ก็ต้องใช้ลดเก่าไปก่อนดีกว่าไม่มีใช้ถึงแม้ ว, ว่ายางมันจะแตกบ้างถึงแม้ว่ามันจะเสียบ้างแต่อย่างน้อยมันก็ยังถูถ่ายไปได้ยังพอให้ความความสุขกับเราได้ฉันใดราบยศสารเสริญรูปเสียงกินรถเราก็ก็หาความสุขจากมันบางเวลามันก็ให้เราทุกข์เราก็ยัง ดีกว่าไม่มีมันเลยแต่พอเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้นี้เราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่าความสุขจะลาบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่น้อยตอนนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สู้กับกิเลสได้พอกิเลสบอกว่าไปหาเงินเพิ่มไม่เอาละพอละตอนนี้มีความสุขแล้วไม่ต้องใช้เงินก็ได้ไปหาตำแหน่งเพิ่มไม่เอาละ ไปหาร้างวิรญางวันให้เขายกย่องสรรเสริญเยนยอไม่เอาละไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวแล้วนั่งสมาธิทำใจให้สงบมีความสุขกว่าเยอะอันนั้นแหละมันต่อไปเวลาเกิดตันหาความอยากขึ้นมามันก็ใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าเป็นการไปหาความทุกข์เป็นการพาใจไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ที่เรามาเกิดกันอยู่ตลอดนี้ก็เป็นเพราะเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากได้ลาบยศจริเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็เลยต้องมาทำตามความอยากกันพอร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับมามีร่างกายใหม่กลับมาหาลาบยศเจร ะ, ะเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่เราก็มาวุ่นวายกับการหาวุ่นวายกับการรักษาวุ่นวายกับการสูญเสีย ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้ว่าอ๋อของพวกนี้ไม่ดีราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ดีเป็นทุกข์สิ่งที่ดีก็คือความสงบสมาธิอยู่กับความสงบถ้าไม่มีความอยากใจก็จะสงบโดยธรรมชาติทุกครั้งที่เกิดความอยากมันก็จะทําให้ใจไม่สงบดังนั้นวิธีที่จะทําให้ใจสงบก็คือไม่ต้องทําตามความอยากหยุดความอยาก แต่พกเราทําตรงกันข้ามกันตอนนี้เราคิดว่าเวลาเกิดความอยากใจมันจะสงบก็ต่อเมื่อมันได้ทําตามความอยากมันก็จริงแต่มันสงบเดียเด๋ยวๆแล้วเดี๋ยวความอยากมันกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าทําแบบพระพุทธเจ้าเวลามันอยากแล้วเราอยากไปทําตามมันต่อไปมันจะไม่กลับมาโผล่ขป้นมาอีถ้าเราไม่มีความสุขในใจไม่มีสมาธิในตัวเราเราก็จะ ฝืนความอยากไม่ได้เพราะมันเวลาอยากนี่มันทรมานใจไหมโหยหวนไหมว้าเวเศร้าซ้อยง่อยหเหงาไหมเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยากไปเที่ยวต้องอยู่คนเดียวนี่มันเศร้าซ้อยง่อยหเหงาแต่ถ้าเรามีสมาธิมันช่วยเราได้เราก็พุทธโธพุทโธนั่งดูลมไปทําใจให้สงบไปไม่ไปเที่ยวตามความอยากแล้วต่อไปทุกครั้งที่มันอยากจะไปเที่ยวเราก็ไม่ไปทําตามความอยากแล้วก็ นั่งสมาธิแทนไปหรือถ้าเรามีกำลังเราไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้าเราอยู่เฉยๆได้ฝืนมันได้ต่อไปมันก็หมดกำลังไปเองอก็สมาธิกลังแต่ว่าเห็นก็พุทโธไงพุทธานุสติอนาปนสติก็สติเวลาเรามี เวลาเราดูลมเราก็ม mm ีส hmm. ติอาณาปณะสติแปลว่าอะไรอาณาปาณะก็ลมเข้าลมออกให้มีสติรู้อยู่กับลมเข้าออกก็ให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่ไม่คิดปรุงแต่งนีไปด้วยกันตลอดเวลาอะไรแสดงว่ามันต้องไปด้วยกันสติและสมาธิต้องไปด้วยกันมันตามกันสติมาก่อนสมาธิมึง เป็นสมาธิเป็นตัวนับตัวตามเนี่ยถ้ามีสติใจก็สงบได้แต่ถ้าไม่มีสติมันก็คิดเรื่อยเปื่อยนั่งสมาธิแล้วมันก็คิดนู่นคิดนี่คิดนู่นคิดนี่คิดจ น, นดกระทั่งมันนั่งไม่ไหวก็ลุกแลอาจจะสงบนิดๆหน่อยๆคือไม่ฟุง้งซ่านแต่มันยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดเต็มที่เต็มรอ้อย จ, จะลดปริมาณความคิดลงได้ประมาณสักห้าิเอร์เซนตอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีหมดกําลังแล้ว คนกำลังกิเลส ท, ที่อยากจะลุกไม่ได้นะกิเลสอยากจะลุกไปทำนู่นทานีน่ไปดูนั่นดูนี่แล้วก็เลยสร้างอาการอึดอัดสร้างอาการาตึงเครียดขึ้นมาจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นไปทำตามความอยากถ้าเรามีสติกำลังมากเราจะนั่งได้แล้วจะสงบได้เร็ว5นาที10นาทีนี่มันนิ่งแล้ว มันตกหนุมตกบอ่อเข้าสู่ภวังของสมาธแิแล้วก็นั่งต่อได้สามสิบนาทีสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งโดยที่ไม่รู้สึกมีอาการอะไรเลยตอนนั้นเหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศว่างไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีอะไรบางทีอาจจะได้ยินเสียงนมพัดอะไรแต่มันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้มารบกวนใจเรา ร่างกายอาจจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นบ้างเจ็บตรงนี้หน่อยก็ไม่รู้สึกรำคาญกับมันอยู่กับมันได้นี่เป็นสมาธิแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งมันก็แบบลงไปแบบหายไปหมดเลยร่างกายก็หายไปเสียงรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆก็หายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลาพังของมัน เรามีความรู้สึกว่าลมค่อยๆหายละเอียดหายไปนนะะ อ, อมันมีความคิดถูกขึ้นมาที่ว่าแม่เป็นลมหายใจก็เป็นอนิจจังเอราะ ว, ว่ามันค่อยๆหายไปอย่างนี้เป็นความคิดหรือว่าเป็นปัญญามันก็เป็นความคิดน เ, เนี่ยมันเป็นความคิดมันก็เป็นความคิดขึ้นมาเองคือความคิดบางอย่างมันก็ถ้ามันคิดแล้วมันทําให้ใจสงบะะก็เรียกว่าปัญญา ความคิดอันไหนคิดแล้วทําให้เกิดอารมณ์เกิดความฟุง้งซ่านขึ้นมาก็เรียกว่ากิเลสงั้นถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันทําให้ใจเราสงบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือส่วนให่ที่เราที่ยมมีครูบ า, บ า, าเวลาสงสัยเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสงสัยขึ้นมาเองอย่างเช่นว่าอะไรมันเป็นเหนตุปัจจของอะไรหรือไอ้นี่มันเรื่องของกรรมไหมหรืออะไรอย่างเนี้ จะยังมะใช้วิธีนั่งสมาธิแล้วพอสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเอาเรื่องนี้มาคิดไข้รวนแล้วสุดท้ายแล้วมันจะมีคำตอบเหมือนจะมีใครมาสอนเราแต่ไม่รู้ว่าใครสอนหรือเราสอนตัวเองหรือมาจากใจก็ไม่รู้แล้วทุกครั้งก็จะมีคำตอบออกมาแล้วก็จะสบายแล้วก็รู้สึกเออใช่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้แล้วก็จะรู้สึกเออดีมากเลยประมาณแล้วสอบสามวันเข้าใจและเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจทุกสิ่งกับตรงนี้แล้วพอผ่านไปอีกสัก มีเรื่องใหม่ชอบชอบทําธุรกรรมเรยอะๆเหมือนกับกิจกรรมนะคะก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาก็มีเหตุแล้วเราก็จะต้องเป็นคนที่แบบชอบใช้ความวคิดนะคะว่าอันนี้มันเป็นจักรกรรมันนี้เป็นข้อากิเลสตรงนี้ของคนนี้อะไรหรือของเราเองหรือใจเราเห็นว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิคือจะใช้วิธีการนั่งสมาธิไม่ได้ด้วยความสงบแต่เป็นการนั่งสมาธิแล้วเหมือนกับชอบนั่งเวลาที่สงสัยอะหรือเวลาที่มันเกิดเหตุทุกครั้งหรือความทุกข์หรือมีอะไรทุกอย่างนะคะ จะต้องจบลงในการนั่งสมาธิเพราะชอบที่สุดพอนั่งปุ๊บ ก, ก็จะต้องแป๊บนึ่งแต่กิจจะไม่ได้ดูลมหายใจตามไปอย่างนั้นนะนั่งแป๊บหนึ่งมันจะนิ่งเองแต่ไม่รู้มันนิ่งเข้าไปจากตรงไหนหรือจากลมมันจะอยู่ดีๆมันก็จะนิ่งเองแล้วก็จะมีคําตอบในสิ่งที่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาซึ่งคําตอบนี้ยังไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันตอบจากใจเราข้างในมันตอบจากข้างนอกหรืออะไรแล้วก็จะเข้าใจมันทุกอย่างแล้วก็จบ เราก็เลยเหมือนตัวเองว่าเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในใจเราที่เหมือนกับมาจากไหนไม่รู้หรือที่เราเคยอ่านหรือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ทําอยู่ก็เลยเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบยี่สิบปีก็เลยถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเป็นการนั่งสมาธิที่ผิดหรือที่ถูกหรือที่อะไรแต่อยู่อย่างนี้มา น, นานแล้วรู้สึกแบบพัฒนาตัวเองมาจากตรงนี้ไหมคะพระอาจารย์พัฒนาอย่างไรครับว่าพัฒนาพัฒนาคาตัวเองว่าเออสมัยก่อนเอออะไวามรู้สึกว่าเออเมื่อก่อนนี่ยคือว่าถ้าเรา เช่นเปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเราอยากได้อันเนี้ยเราก็ต้องเอาให้มันได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็คืออยากได้แล้วก็รู้ว่าเออมันไม่มีประโยชน์นี้การจะใช้จ่ายอะไรของเราก็จะฉลาดมากขึ้นจะไม่ทำอะไรหรือไม่ก็คือกับคําพูดหรือปล่อยบางอย่างคนบางคนเนี้ยเดี๋ยวนี้พูดแบบเนี้ยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบรับไม่ได้นะพูดจาแบบนี้ตอนหลังเราก็รู้สึกว่าเขาด่าเราเลยเนี้ยนี่เขาด่าเราเหรอทําไมมันไม่ถึงใจเราอ๋อนี่เขาด่าเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าเราถูกด่าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า ไอสิ่งเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเราไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วเราเหมือนคนละคนอย่างเงี้ยค่ะ ม, มันเปลี่ยนไปมากในความรู้สึกตัวเองนะคะแต่เปลี่ยนในใจอก็เลยคิดว่าเอ๊ะเคยได้ปรึกษาพี่อุ้งไหมะคะว่าที่ทําถูกไหมเนี่ยเพราะทุกวันเนี้ยเราเหมือนจะมีคนมาสอนเราแต่มันมาจากใจเราหรือมาจากที่ไหนแต่เรารู้สึกเราพัฒนาเองจากกุศลที่เรารู้สึกว่าเราละในสิ่งที่ไม่ควรจะละเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคระับจารคือถ้าอยากจะดูว่าเรา พัฒนาทางด้านจิตใจมากน้อยก็ให้ดูกิจกรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามีความยินดีหนึ่งเรามีความยินดีกับความมากน้อยหรือเปล่าสองเรามีความยินดีกับสันโดรหรือเปล่ายินดีกับการอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่ชอบคุกคีกันหรือเปล่าไม่ชอบสมาคมไม่ชอบสังคม คนหรือเปล่ามีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะปฏิบัติสมาธิเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ารักษาศีลมากขึ้นหรือเปล่าศีลห้าแล้วก็ศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิจิตสงบนานไหมหรือไม่สงบ ปัญญานี้เห็นว่าเป็นตายรักหรือเปล่าเห็นทุกอย่างว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าจิตไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆหรือเปล่าอันนี้เป็นตัววัดความเจริญของการปฏิบัติธรรมอ่าก็ไปไปไปไปเช็คดูรายการนี้ก็คือเช็คนคี่ยเข อชย่ังโลภยังโลภอยู่เปล่าอ่ะก็ยังมีบางอ่ะนั่นก็มันถ้ามีแล้วมันจะไปก้าวหน้าได้ยังไงมันต้องมักน้อยสิมักน้อยแต่ไม่โลภของคนอื่นนะคะหมายถึงว่าความอยากที่อยากมุ่นสงสัยอย่างเดียวเลยค่ะว่าทำไมเราชอบอยากที่จะไปทําอยากทําความดีคือถ้าอยากเนี่ยคืออยากอยากตามลอยในหลวงเนี้ยค่ะอยากทําความดีแล้วก็อยากที่จะเข้าไปแบบทําทุกอย่างให s <S ้ม so so like ันด right? I mean, ีอะไรอย่างเนี้ยค่ะ อยากตรงนี้มากกว่าแต่ว่าอยากที่ว่าจะไปเที่ยวเลยอยากอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ค่อยสนใจว่าะเป็นเฉยๆกับเรื่องพวกนี้แต่สงสัยอยากได้เงินมากขึ้นหรือเปล่าอยากได้เงินมากขึ้นหรือเปล่าไอ้เงินมากขึ้นละเฉยๆก็ได้แต่ว่าโดนโกงไปอยากได้คืนอย่างเงี้ยใช่คลาดใช่แต่เงินมากขึ้นเฉยๆนะคงับโกงโกงไปกันไหมคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปไหมไม่ได้เออได้ได้คือทำใจได้คือโดนโกงไปเยอะมากแต่เหมือนกับว่าเอ เออทาไมก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกข์กับมันคือตามปีที่แล้วทุกข์มากแต่พอเราจนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์เลยแต่เพียงเดี๋ย ว, ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมยังยังนิดหน่อยะค่ะว่าอนิดนึงยังติดอยู่ยังไม่หลุดทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้มันมาชีวิตก็ไม่ได้ทําให้เราแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ดีแต่เพียงเดี๋ยวว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องกับวิธีการแบบนี้อย่างเงี้ย น, นะคะ คือยังไม่บรรลุอยู่แล้วป่ถึงว่ายังไม่ได้ดีแต่สงสัยแค่ว่า ว, วิธีการเราทาอยู่ทุกวันเนี้เรารู้สึกเราพัฒนาขึ้นจากสิ่งตรงนี้ตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันถูกทางหรือเปล่าเพราะจริงๆคือยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนําจริงๆก็เลยหมอพี่ต้ออยากมาคุยกับพระอาจารย์เคยเห็นเคยเห็นกันก็ดูเนี่ยดูว่าเรารักษาศีลได้มากขึ้นหรือเปล่าเราปฏิบัติเวลาที่เราปฏิบัติมากขึ้นหรือเปล่า ยังมีความสงสัยตัวเองเนี่ยพระอาจารย์เคยบอกว่าเราเนี่ยอย่าไปยุ่งเคยใคยอ่านของท่านเนี่ยท่านก็คือเหมือนกับเคยอ่านเจอนะคะที่ก็เป็น ส, ส่งมาบอกว่าเอ้ยงานเลี้ยงไม่จําเป็นที่ไม่ต้องไปหรืออะไรพวกนี้คือหนูก็เป็นคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้พวกนี้ไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการได้ช่วยคนเนี่ยหนูก็ชอบเขาก็ไปยุ่งไงแต่ว่ายุ่งกับคนเนี่ยมันปวดหัวมากะคะ่ะมันฟงเรื่องมันเรื่องมาก ก็ชอบหาเรื่องก็เลยยังถามพี่อุ้มเลยว่าก่อนมาเนี่ยถามคำถามนี้จะถูกพระอาจารย์ดูหรือเปล่าว่ า, วาเอ๊ะเราเป็นอะไรมันชอบมีอะไรมาผลักดันให้เราต้องทําอะไรที่เรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะเราก็เคยทีดว่าพระเจ้าท่านบรรดาเห็นในพวกอย่างเงี้ยเราท่านยังบางทีอาจจะคงเบื่อหนายคนนะอะไรเงี้ยยังต้องถอยเลยแต่ทําไมเราไม่ถอยล่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครทําเราก็เข้าไปทําแล้วพอทํำก็ยุ่วกนันมันก็วุ่นวายแต่ใจเราก็ไม่ชอบความวุ่นวาย ก็ pues, เลยยังถามพี mm ่อุ้มว่าเอ้จริงๆเหตุปัจจัยชีวิตคนเนี่ยมันเกิดมาเพราะเราเคยอธิษฐานหรือมันทําไมเราห้ามความรู้สึกที่เราไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้อย่างก็ทะเลาะกันในไลน์อย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไปช่วยประสานให้เขาเออสงบให้เขามองอันนี้ให้เข้าใจมันยุ่งอ่ะมันยุ่งแล้วแล้วใครๆก็มองว่าทําไมเราจะต้องเข้าไปยุ่งทําไมไม่ทําเหมือนคนอื่นที่แบบอ่านไลน์แล้วก็เฉยๆใครจะทะเลาะกันใครจะอะไรก็เห็นต้องไปยุ่งเลยหนูก็งงตัวเองนะก็เลยแต่ใจเราใจเราไม่มีเบรคขาไง บาดขาแต่หนูว่าหนูช่วยได้เดี๋ยวว่าต้องพยายามเข้าไปช่วยนั่น<ะ>แหละมันกันถึงไม่มีโอเบกขาเลยก็ยุ่งเรื่องเลยค่ ะ, ะแต่ว่าถ้าไม่มีช่วยหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยบางครั้งเราการนิ่งเฉยในความผิดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเราช่วยเขาได้ <S <S แล้วทําไมเราจะนิ่งเฉยก็แะละ้วกันคะก็เลยงงนะคะบางทีคือให้เอกดีมันทะเลาะกันให้ตายไปเลยดีไหมเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปนิดนึงสงบสออให้มันเข้าใจกันดีก็อยู่ด้วยกันดีนะสามคนอะไรอย่างเงี้ย ยังแต่เราก็เอ๊ะบางทีก็ถูกรูปหลงอย่างแรงก็ได้เงี้ยค่ะแต่เราก็ยังสงสัยในชีวิตทุกวันนี้ว่าทําไมคนอื่นเขาไม่ต้องเข้าไปยุ่งเขาบอกว่าทำไมเราต้องเข้าไปยุ่งแต่ความจริงเราคือเราอยากเข้าไปช่วยอสงสัยตัวเองเหมือนทุกวันนี้ว่าทําไมเราไม่อยู่เฉยก็ ม, มันไม่มีไม่มีสติม<ะ>ไม่มีสมาธิง <laughs> ไง แล้อย่างนี้เราควรจะเมตตาอย่างไรคะไม่เมตตาแค่ไหนหรือ ว, ว, ว่าเพราะว่าต้องเบรกขาที่จะอุเบกขาเมื่อไร อ, ะอ่ะคือเบื้องต้นเราต้องเมตตาตัวเราก่อนตอนนี้เราเป็นคนไม่สบายคนไข้เป็นโรคจิตอไปรักษาโรคของเราให้หายก่อนหายแล้วก็ไปรักษาโรคของคนอื่นพระพุทธเจ้าหกปีไม่ไปรักษาใครเลยไม่ไปยุ่งกับใครเลย ดูศาสดาเป็นตัวอย่างกปีสเสด็จสะระราชสมบัติตัดสังคมตัดทุกอย่างใครจะเป็นจะตายยังไงลูกออกมายังไม่ไปดูเลยนั่นแหละแล้วก็ไปบำเพ็ญจีนสมาธิปัญญาจนหยุดความอยากต่างๆได้หมดแล้ ว, ลวถึงค่อยมาเมตตาช่วยคนอื่นต่อไป ตอนต้นช่วยตัวเองให้หลุดพ้นก่อนรักษาตัวเองง่ายหายก่อนก่อนไปรักษาคนอื่นไม่หรอกว่าว่านในหลวงอ่ะท่านก็ทำเพื่อคนอื่นเยอแยะก็ในหลวงนี่พระพุทธเจ้าโอ้มา<ช>คนละระดับกันเดีก็อยากอยอะไรวะเพราะ่า อ, อย่างนั้นนี <c> ่คือหนูไม <c> ่ได้หมายเขาว่าจะเที่ยวท่านในนั้นแต่หมายถึงว่านี่พุทธศาสนาไม่ไม่พระพุทธเจ้าเราจะไปมองใคร นี่เรามีพุทธเรามีพุทธโธธรรมสังโคเป็นสารนังกะฉามิพระพุทธเจ้าพระอริยะสงสาวกนี้เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ถูกต้องคือต้องตัดทุกอย่างทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปปฏิบัติตัวเองก่อนไม่ได้ทิ้งถาวร่ใจ ย, ยังมีความผูกพันยังรักกันอยู่แต่เหมือนกับเราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย เราต้องทิ้งงานทิ้งการทิ้งอะไรทุกอย่างไปหมดเพื <P> ่อ<ๆ>ไปรักษาตัวให้หายก่อนหายแล้วก็กลับมาทำงานต่อ<ะ>มาช่วยเหลือใครก็ได้<ะ>แต่ถ้ายังไม่หายไปช่วยเขานี่ตัวเองก็เจ็บปวดช่วยเขาไปก็ทำไม่ได้ เ, ดเต็มที่เต็มรูปแบบฉะนั้นทาอะไรให้มันเป็นมีขั้นมีตอนมีเียงลำ <P> ดับความสำคัญอ่านยัยไหมตอนนี้ร่างกาย จิตใจของคุณย่อมแย่คุณไปรักษาให้มันแข็งแรงให้มันหายเป็นปกติก่อนมนหายแล้วทีนี้คุณจะไปช่วยใครจนวันตายคุณก็ช่วยได้เพราะพระพุทธเจ้าพอหายแล้วเนี่ยอีกสี่สิบห้าปีนี้ไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองเลยช่วยคนอื่นไปตลอดจะต้องปวดไปตลอดชีวิตนะเราคงจะไม่ได้ช่วยใครตลอดเพราะอะไรเพราะเราจะทํายังไงปไม่ได้ช่วยนะถ้าเราถ้าเรา เกี่ยงผ้าจานผพระอาจารนปฏิบัติได้แน่นอนผ้าจานบวชเนี่ฮะแต่หนูว่าไม่ได้บวชแล้วทําไมล่ะก็บวดสิอะไรพูดก็เราให้ไปรักษาตัวอยู่โรงบาลเรักษาจนตายก็ไม่ได้อยช่วยใครแล้วอะไรประมาณใครใครบอกให้รักษาจนตายก็ไม่ได้พระสาวกมีองค์ไหนที่รักษาจนตายนัท่านก็ปฏิบัติกันไม่กี่ปีท่านก็เห็นไหมท่านก็มาเป็นที่พึ่งของคนอื่นต่อไป หลงปู่หลวงตาที่เรากราบไหว้ที่เขาไปศึกษาท่านก็ช่วงที่ท่านปฏิบัติเนหลวงหลวงตาที่ท่านสิบหกปีมั้งท่านก่อใจที่ท่านจะเสร็จกิจของท่านหลังจากนั้นท่านก็เริ่มช่วยเหลือสั่งสอนตอนตอนน้นท่านก็สั่งสอนพวกพระเนรก่อนวาพระเนรนี่เป็นเป็นบุคคลที่สําคัญเป็นเป็นนักศึกษาเต็มรูปแบบพอ สอนท่านเนนได้แล้วก็ต่อมาประชาชนเริ่มรู้จักมีศรัทธาท่านก็สอนประชาชนต่อไปแล้วถ้าไม่ได้บวดแล้วก็ทำเหมือนที่ท่านสอนไปค<ช>รั่ะแล้วก็อยู่กับการงานปัจจุบันอุเบกขา ค, คื อ, ค, อคือถ้าเรายัางถือการทํางานที่เราทําอยู่นี้เป็นกิจกรรมหลักอยู่แล้วก็ไม่มีวันที่จะไปก้าวหน้าทางธรรมได้ เราต้องตั้งเป้าแล้วว่าอ่าถ้าเราอยากจะไปทางธรรมนี่เราต้องเริ่มลดปริมาณเวลาที่เราให้กับทางอื่นให้มันน้อยลงแล้วต้องมาเพิ่มปริมาณเวลาให้กับทางธรรมให้มันมากขึ้นมันจะเจริญไม่เจริญก็อยู่ที่เวลาที่เราให้กับมันนั่นแหละถ้าเราให้เวลากับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นผลมันก็ต้องมีมากขึ้นเหมือนเราตักน้ําใส่ตุ่มเนี่ย ถ้าเราตักวันละขันแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นตักวันละสิบขันเนี่ยปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเร็วขึ้นถ้าเราตักร้อยขันเนี่ยมันก็ยิ่งเร็วใหญ่ถ้าเราตักวันละขันมันก็มันก็ได้แค่นั้นถ้าเราอยากจะได้มากกว่า น, นั้นเราก็ต้องเพิ่มเวลาของการปฏิบัติของเราให้มากขึ้น คำว่าปฏิบัติก็คือเนี่ยต้องปลีกเว้ยๆต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทําเช่นวันหยุดตอนนี้เรายังทํางานอยู่แต่เรามีวันหยุดช่วงวันหยุดเราก็อย่าไปเที่ยวเลยอย่าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเราไปทํากิจกรรมทางทางการปฏิบัติทำแทนไปหาที่สงบที่ปีกวิเว้ยไปรักษาศีลแปดไปเจริญสติไปนั่งสมาธิ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลักเนี่ยมันก็จะได้เนี่ยมันก็จะได้ตอนต้นอาจจะรู้สึกไม่ได้อะไรเพราะมันเหมือนการปลูกต้นไม้เวลาปลูกต้นไม้มันก็ยังไม่เห็นผลทันตาแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามันเราได้ปลูกแล้วขั้นต่อไปถ้าเราหมั่นรักษาคอยเติมน้าให้มันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตของมันขึ้นไปเอง แล้วถ้าเราเติมมามากมากขึ้นบ่อยขึ้นมันก็จะโตเร็วขึ้นใส่ปงใส่ปุ๋ยเร่งมันนี้มันก็ไปเร็วขึ้นการปฏิบัติก็เหมือนกันตอนนี้เราทำเท่าไหร่เราต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นสมมติว่าตอนนี้เราเราไม่มีการปฏิบัติแบบเป็นหลักเป็นเป็นจริงเป็นจังเลยคือเราปฏิบัติกับควบคู่กับกิจกรรมชีวิตประจาวันของเรานี้มันมันทาได้น้อยมาก โอกาสที่จะเจริญสตินี้มันยากพราเราต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นคนนี้ติดต่อัคนนั้นคนนี้ห่วงใยคนนั้นคนนี้ดูแลคนนั้นคนนี้มันต้องใช้ความคิดทางนั้นอ่ะโอกาสที่จะหยุดให้ไม่ให้มันคิดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันยากนอกจากเราเนี่ยไปวันหยุดเราก็ไปอยู่คนเดียวที่ไหนสักแห่งหนึ่ง เราไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนอะไรต่างๆ แ, แล้วก็คอยดึงใจให้มันอยู่ในปัจจุบันไม้มันคิดปรุงแต่งด้วยการใช้พุโทโธก็ได้ด้วยการจดจ่อดูการทำงานของร่างกายก็ได้ตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้มันจดจอ่อแล้วพอเราอยากจะนั่งเราก็นั่งแล้วก็ดูลมก็ได้พุโทโธก็ได้ให้มันรวมให้ได้ถ้านั่งแล้ว ทนนั่งนั่งต่อไปไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ลุกขึ้นมาจเจริญสติใหม่ทําสลับกันไปอย่างเนี้ให้มันเป็นแบบเป็นงานงานจริงๆไม่ทํางานอย่างอื่นนอกจากเลี้ยงดูร่างกายออถึงเวลาดื่มน้ําก็ดื่มถึงเวลารับประทานอาหารก็รับประทานถึงเวลานอนก็นอนแต่อย่างอื่นเราไม่ทํานอกจากออกวาดบ้านบ้างถูบ้านบ้างอันนี้จําเป็นต้องทําก็ทําไปซักผ้าบ้าง อไนี้มันก็ทํางานที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำรงชีพของเราแต่เราจะทาด้วยสติว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็พยายามดึงให้มันอยู่กับงานที่เราทําอย่าให้มันไปคิดถึงคนไข้อย่าให้ไปคิดถึงเพื่อนคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงเงินทองถึงอะไรต่างๆร้อยแปดพันราการที่เราคิดกันอยู่เราต้องดึงตัวเราออก แล้วมาปฏิบัติมันถึงจะได้ได้น้ําได้เนื้อหน่อยถ้าเราปฏิบัติแบบที่เราอยู่กับที่ทํางานอยู่ที่บ้านมันก็มันไม่ค่อยได้อะไรเพราะมันจะไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเรื่องราวต่างๆได้เวลานั่งก็ก็อาจจะเบาใจาคิดน้อยลงหน่อยไปนั่งสมาธิแต่มันไม่ถึงกับนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ พบกับความสุขอันมหัศจราลถ้ามันไม่ได้เจอตัวนี้มันจะไม่มีกําลังที่จะจะไปไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบถ้ามันมีตัวนี้มันจะเป็นพลังที่จะเดินให้เราไปปฏิบัติเพราะเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับความสุขอันนี้ความสงบอันนี้ เราถึงจะไปอ่ช่วยเหลือคนอื่นได้เอแต่ทีนี้ว่าถ้าการกระทําแบบเนี้ยบางครั้งถ้าคนอื่นมองเหมือนเราไม่สนใจใครเหมือนเราเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าถ้าถ้าเป็นความคิดอะนะคะก็เขาคิดผิดไงเราไม่ได้เห็นแก่ตัวคือตอนแรกคือเราต้องเอาตัวเองออใ ห, ให้ให้แข็งแรงก่อนใช่เวลาเราไปรักษาตัวที่โรงพยบาบาลเขาว่าเราเห็นแก่ตัวเปล่าฮะ พราะทุกคนต้องไปใช่ไหมแต่เรื่องไปรักษาจิตถ้าทุกคนไม่ไปก็เลยเห็นคนว่าไปรักษาโรคจิตเป็นคนเห็นแก่ตัวความจริงคนไปรักษาโรคจิตนี่เป็นคนฉลาดรู้ว่าตัวเองเป็นโรคจิตต้องไป ร, รักษาให้มันหายแต่พวกที่เป็นโรคจิตที่ไม่ชอบรักษาตัวเองมันก็เลยมันก็เลยไปว่าคนที่เขาฉลาดกว่าว่าเออไปเห็นแก่ตัวคือเราต้องทำ ต้องทําใจให้เราเป็นปกติใจที่ปกติก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจปกติเวลาโลภมันเป็นปกติไหมเวลาโกรธมันปกติไหมนั่นแหละไอ้นี่ยคือเชื้อโรคสามตัวที่เราต้องมาฆ่ามันโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าไม่มีโลภโกรธหลงแล้วใจจะปกติจะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นใครจะด่าใครจะชอชงใครจะอะไรก็ไม่ เรื่องของเขาอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราอืเราชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาแบกกันนะแล้วก็หนักอกหนักใจกันก็ทําไมไม่หนักมันแบกเข้ามามันก็หนักขึ้นปล่อยเขาสิเขาจะด่าก็ปล่อยก็ด่าไปเขาจะไม่ชอบเราก็ปล่อยก็ไม่ชอบเราไปขออนุญาตท่านอาจารย์ถามเรื่องโลกโอีกข้อพอดีที่บ้านลิงจุดหนักไว้เจ้าค่ะ แล้วก็มันมันปวดเป็นมะไราง้ก็ค่ะจริงๆเราเราตั้งใจช่วยเหลือเป็นที่เท่าที่จะทําได้นะจคะโดยที่ใจก็ไม่ได้ทุกเองแต่ว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งเขาทรมานมากแล้วก็รอบบ้านเนี่ยเขาก็คงลาคาเนี่ยฮะก็แนะนำว่าให้เราพาสัตว์เนี่ยไปให้หมอฉีดยาก็ให้เขาหลับไปแต่ใจเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถึงแม้มันจะเป็นการเสียค่าแต่ว่ามันก็ผิดศีลข้อปรานติ อ อ, อสิ่งที่ทําได้ก็คือขอร้องคนอื่นหให้เข้าใจแล้วเรา ก, เราก็เราก็ดูแลเขาไปจะบางวันนี้มันมันก็มีความรู้สึกอดไม่ได้ที่เห็นสงสารที่เขทรมานนะเจ้าค่เราควรจะทํายังไงดีเจ้าค่ะคือตอนนี้เรา ก, เราก็เราก็ดูแลไม่ได้ไม่ได้ให้เขาวิธีดีสุดก็ทําใจให้เป็นอุบเบกขาช่างมันไม่ใช่เรื่องของเรามันจะทรมานก็เรื่องของมันเราไม่ได้ไปทำให้มันทรมานก็แล้วกัน ใช่ไหมมันเรื่องของปกติเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะทรมานมากน้อยนี่มันไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายหรอก อ, อยู่ที่กิเลส ข, ของคนของสัตว์นั่นแหละถ้ามันมีกิเลสมากมันก็จะทรมานมากความอยากมากอยากไม่เจ็บมากเท่าไหร่มันยิ่งทรมานมากถ้าอยากไม่เจ็บน้อยมันก็จะทรมานน้อยแสดงว่าการุญาค่าก็ยังเป็ น, านา ป, ปานติปาใช่มทุก ก็ฆ่าคนอื่นก็บาปทั้งนั้นแหละฆ่าตัวเราก็บาปอย่าว่าแต่ฆ่าคนอื่นฆ่าเราเองก็บาปเพราะว่ามันหนึ่งมันไม่ได้เป็นมันเป็นการมันไม่ได้แก้ปัญหานะปัญหาที่ทรมานใจไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บป่วยของร่างกายแต่อยู่ที่ความอยากของใจอยากให้ไม่เจ็บอยากให้มันหายมันถึงทำให้เกิดความรู้สึกทรมานใจ ถ้าใจมีอุเบกขาใจสงบใจจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายมันไม่รุนแรงไอ้ที่รุนแรงนี่คือควา ม, มาาความอยากหายจากความเจ็บปวดนี่เฉะนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องไปฆ่าไปกําจัดมันเพราะฆ่ายัางไงมันก็เดี๋ยวก็ต้กลับมาเจออีกเพราะถ้าเราไม่ไปฆ่า ต, ตัวเหตุที่ทําให้เราม า, มาเกิดก็คือความอยากนี่ ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่หยุดไม่เจ็บไม่อยากไม่ตายไนดะ้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ไม่มีใครรู้กับถ้าไม่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังจากศาสนานะทุกคนก็จะไปแก้ที่ปลายเหตุก็คือแก้ที่ร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรไม่สามารถใช้ประโยชน์มันได้ก็ฆ่ามันดีกว่าใจมันไม่มันทรมาน ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่สามารถทำประโยชน์ให้ได้แต่มันก็ไม่มันไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่จะทําให้เราติดเป็นนิสัยไปเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาเกิดก็ฆ่าตัวตายใหม่เดี๋ยวเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คิดว่าแก้ด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งถ้ามีมีาศาสนามีคนสอนมีพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าไปสอนพ่อ เจ็ดวันก่อนจะสวรรคตสอนให้ปล่อยวางร่างกายสอนให้ปล่อยวางเวทนาท่านกับบรรลุได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเองแต่ต้องมีคนสอนถึงยาะถึงจะทําได้หรือว่าอาจจะได้เรียนมาก่อนแล้วแต่ยังยังไม่ได้ทําข้อสอบมาเจอข้อสอบก็อาจจะทําตอนนั้นก็ได้ อย่างญาโยมตอนนี้อาจจะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็อาจจะบรรลุก็ได้ถ้ารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ความอยากของเราแล้วเราก็ทำใจให้สงบหยุดความอยากอย่าไปทำตามความอยากใจเราก็จะไม่รู้สึกทรมานอะไร บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยพอพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ฟังได้ปัญญาขึ้นมาอาการเจ็บของร่างกายมันนิดเดียวที่มันเจ็บส่วนใหญ่มไม่เจ็บที่ใจพอใจหายเจ็บก็ลุกขึ้นมาเดินทําอะไรได้เป็นปกติไอ้คนที่มันลุกขึ้นมาไม่ได้มันไม่มีกําลังใจหรอกไม่ใช่อะไรหรอกถ้าไม่มีกําลังใจความเจ็บของร่างกายแค่ะนะั้นมันไม่มีปัญหาหรอกลุกขึ้นมาได้ทําอะไรได้ ก็เหมือนกันเนี่ยก็เป็นการฝึกสติเหมือนพุทโธนี่แหละเพียงแต่ว่าทางดิยาเป็นคําเดียวก็เป็นหลายคําไปฮะ น, นี่จําเป็นก็แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนไงถ้าเราสวดมนต์แล้วได้สติก็สวดไปพุทโธได้สติก็พุทโธไปคือหยุดความคิดไงถ้าเราสวดมนต์เราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจสวดจริงๆ เกาจดจ่ออยู่กับการสวดมันก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆได้ถ้าไม่จดจ่อมันก็ยังคิดได้อยู่สวดไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ได้อยู่ถ้าถ้าสวดแบบนั้นก็ไม่ได้สติไม่ได้ประโยชน์ <S <S ต้องสวดแบบใจจดจ่ออยู่กับบทสวดอย่างเดียวไม่ไม่แยกให้เป็นสองให้อยู่กับเรื่องสวดอย่างเดียวบทสวดอย่างเดียวไม่ไปให้เรื่องอื่นเข้ามาในใจ หรือถ้ามันเข้ามาบ้างก็อย่าไปไม่สนใจมันเราก็จดจ่อสวดไปใจก็จะเป็นสติมีสติขึ้นมานิ่งสามารถระ ง, งับความคิดต่างๆได้เวลาวุ่นวายใจก็สวดมันก็เวลาคุณบอกว่าคุณมีปัญหามันคุณไานั่งสมาธิทำใจให้สงบเนี่ยปัญหามันก็หายไปปัญหามันก็เกิดจากความคิดของคุณ คนคิด ม, มันก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาถ้าหยุดคิดคำถามมันก็หายไปคือถ้าเราปฏิบัติศึกษาของเราเองเนี่โอกาสที่ทำให้เราปฏิบัติไม่ถูกมันมีเยอะถ้าเราไม่มีประสบะการณ์หรือไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจหลักของคำสอนนะปฏิบัติตามขั้นตอนของมันได้แล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือเรา ม, มีสื่อคนสอนเยอะเหลือเกินมันก็เลยสับสนกันไมหมดความจริงน่าจะศึกษาจากเริ่มต้นนี่น่าจะศึกษาถ้าไม่มีใครเลยควรจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้ามาศึกษาจะดีกว่าเป็นธรรมจักรกับปวตฒนตตสูตรมงคลสูตร มันไม่ยากเลยเรียนหมอได้โหไว้ไ อ, อธรรมจักแค่นี้มันจะยากเลยโ อ, อ้ตายแนละ้ว <c oughs> เรียนหมอได้นี่เรียนอะไรได้หมดในโลกนี้ <c oughs> ก็ออยังนะคนที่เรียนหมอได้ในแสนดงว่ามีความสามารถที่จะเรียนได้ทุกวิชา <c oughs> ความรู้วยเนี่ยมันคิดแบบนี้มันก็เลย ไอ้เวลาให้ให้อ่านให้เกิดปัญญาระงับความฟุ้งซ่านก็กลับไปคิดว่ามันฟุ้งซ่านสิก็เลยไอ้เวลาคิดฟุ้งซ่านกลับไม่ไม่คิดว่ามันฟุ้งซ่านเวลาคิดไปช่วยคนนู้นคนนี้วุ่นวายไปหมดไม่คิดว่าฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านมากในในใค่ะีเคยคิดว่าเอ๊ะตัวเองเกิดมาทำไมเป็นคนแบบ น, นี้ก็ไม่รู้เลยหรือเราเคยอธิษฐาน ม, มาก็ฟุ้งซ่านไปใหญ่นะคะอาจารย์พี่อุ้งบอกฟุ้งซ่าน <c oughs> สงสยัยเลยเราเกิดมาจากไดรยังไงทำไมเราเป็นคนแบบนี้ไรอย่งเงจิเราสับสนมีความรู้มากเกินไปความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็เลยมันก็เลยทําให้เราสับสนือนนจับต้นชนปลายไม่ถูกจับต้นชนปลายไม่ถู ก, นนถกซึ่งถ้าเราเริ่มต้นด้วยการศึกษาจากพระคําสอนของพทะเจ้าเนี่ยมันจะเห็นง่ายท่านสอนที่มรรคแปดท่านสอนที่ศีลสมาธิปัญญาแค่นี้ มันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยนคะครับอามม้าว เ, เลยมีเท่าไหร่เข้ามาจะ <c oughs> ตอบได้ <c oughs> ไม่ได้ในเรื่องคือสงสัยว่าเวลาเรานอนเนี่ยทําไมตื่นขึ้นมาอ่ะคําถามหนึ่งที่เคยถามตัวเองแต่ตอบไม่ได้เช่นว่าทําไมเราบางทีฝันเรื่องนึงซ้ำๆซ้ำๆแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องในปัจจุบันอะไรเงี้ยคะ่ะสมมติว่าเราฝันว่าเราชอบอยู่ ว่น้ำท่วมซ้าๆๆ้ำๆบงจริ ง, รงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรือชอบอยู่ในนั้นอะไรพวกอย่างเนี้ออันนี้มันมีเลสเชตชัวอะไรไหมคะหรือไม่มีอะไรไม่เกี่ยวนี่แหละลคือเรามันชอบไปรู้ไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะรู้เคยได้ยินนิทานเรื่องคนที่ถูกถูกเขายิงด้วยธนูไหมเคยได้ยินไหมมีชายคนหนึ่งถูกเขายิงด้วยธนูแล้วมีหมอหรือคนที่เขารู้จักวิธีรักษามาช่วย เขาจะเอาลึงลูกซ้อนออกจะได้เอายาใส่ะรักษาไอ้คนที่ถูกยิงบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอนช่วยไปถามดูก่อนคนที่ยิงนี้เป็นใครมาจากไหน ม, มันเป็นใครมันทำไมต้องมายิงเราถ้าไปหากว่าจะรู้เรื่องนี้ก็ตายซะก่อนเข่อนก็ไม่ต้องไปสนใจอ่าออ่าก็มอันนคือไอ้ตอนนี้ คือเองลื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ตื่นทุกครั้งมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันหดขู่อ่ะเหมือนกับเหมือนกับตัวเองเป็น depression แต่พอรู้สึกตัวแค่นิดเดียวปุ๊บเราจะกําหนดทันทีแบบจะพูดต่อจะกําหนดสติเพราะว่าเคยอ่านอ่านเนี่นะคะบอกว่าเวลาตื่นมาเนี่ยเราอยู่ท่าไหนเราต้องรู้เราต้องมีสติตั้งใจขึ้นมาจะทําความดีอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้หดขู่แต่ทาไมตื่นมาทุกครั้งมันต้องหดขู่นะคะพระอาจารย์หรือมันเป็นอะไร ก็เป็นก wow. ah ิเลสเนี yeah. lot, no ่ยกิเลสเป็นตัวท yeah. ําให้จ okay. ิตใจเศร้าหมองโดยไม่ทราบสาเหตุเลคะคือมันมีจิตกิเลสเล็กๆอยู่ที่ว่ามันไม่มีความพอใจกับชีวิตของเราเพะชีวิตของเรามันก็วนไปเวียนมาก็เจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่ความทุกข์ประรานอนหลับมันสบายมันลืมเรื่องราวต่างๆพอมันตื่นขึ้นมาปั๊บอ้าวภูมมันต้องมาเจออีกแล้วมันก็เลยรู้สึกโกรธโหขึ้นมาโดยอัตโนมัติขึ้นมาวิธีแก้ก็คือเราต้อง เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของวิบากเรื่องของจิตที่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แต่เรามีวิธีแก้วิธีแก่ก็คือเราต้องมาเจริญสติกันแล้วต่อไปเราจะหยุดไอ้ความคิดที่ผลิตไอ้ความรู้สึกโคทูต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็อย่างก็กลับมาที่การเจริญสติสติเนี่ยเป็นเหมือนยาหมองรักษาได้ทุกโรคสามสิบบาทรักษาได้ทุกโรค เครียดก็รักษาได้โลค ก, ก็รักษาได้โกรธก็รักษาได้วิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็รักษาได้แ้งแต่มันเป็นยาหมองมันรักษาได้ชั่วคราวก็จะให้มันถาวรต้องไปที่ปัญญาอีกตอนนแต่ตอนตอน้นตอนนี้เราไม่มีปัญญาที่จะมาไม่มีกําลังที่จะมาใช้ปัญญาได้ตอนนี้เราก็ต้องสร้างกําลังของใจขึ้นมาด้วยการใช้สติเนี่ยพอเราทําใจให้สงบได้ต่อไปใจเราจะมีกําลัง เราก็จะสามารถเอาปัญญาเนี่ยมามาถอนต้นเหตุของความเครียดของความวุ่นวายางใจต่างๆให้หมดไปได้ะงั้นทําตามขั้นตอนเนี่ยทำตามที่เจ้าสอนเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็คือสติเนี่ย mm hmm. การจะจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติง <c oughs> ั้นพยายามฝึกสติให้มาก <c oughs> ได้เรียนหมอนี่แสดงมีสติมากกว่าคนอื่นเราเชื่อไหม คนที่จะเรียนหมอได้ต้องมีสติจดจ่ออยู่การอ่านหนังสือดูหนังสือคนที่เรียนไม่ได้สูงเพราะสติมันไม่มีเวลาอาจารย์เทศก็สอนก็ใจลอยนั่งคิดถึงแฟนคิดถึงที่เที่ยวที่เล่นอะไรต่างๆนี้เวลาสอบก็สอบไม่ได้คะแนนไม่ดีแต่คนที่มีสตินี่เวลาครูสอนนี่จะตั้งใจฟังตลอดเวลาเราจะจําได้ไปทําการบ้านก็เข้าใจง่ายกว่า เพราจำได้ที่ครูสอนมาแล้วการมาทำการบ้านเพียงการมาทดสอบว่าเราฟังครูเข้าใจหรือเปล่าถ้าเราทำการบ้านได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจว่าครูทำอะไรใช่ไนั้นถ้าเราทำการบ้านได้เดี๋ยวเวลาไปสอบครูก็ก็เอาค ำ, คำถามจากการบ้านนีมาถามเราอีกทีเราก็จะตอบได้ยันคนที่เป็นหมอเนี่ยเป็นพวกที่มีสติมากมากที่สุด หรือพวกที่เรียนทางคณิตศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็นอกจากมีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยคือเขารู้จักคิดในตามเหตุตามผลแต่พวกแต่เพ็นพวกที่เรียนทางศิลปรกรรมนี่ไม่มีเหตุมีผลตรงนี้จะเป็นจินตนาการจะไปทางอารมณ์พรงนั้นจะเข้าหาธรรมะยากพวกที่จะเข้าหาธรรมะหาพุทธศาสนาได้ง่ายคือพวกที่ เรียนทางวิทยาศาสตร์เรียนทางคณิตศาสตร์เรียนทางแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุของผลคําสอนของพระเจ้านี้เป็นเรื่องหลักของเหตุผลเหตุผลก็คือสุขทุกขเกิดจากอะไรสุขก็เกิดจากการที่ไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากการมีความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไป พอไม่มีความทุกข์มันก็จะมีความสุขขึ้นมาแต่มันก็มีแค่นี้แหละหนักง่ายๆทุกเกิดจะความอยากอย่างเดียวเหรออาจารยความอยากสามประการ อ, อ่าอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่อยากไม่อยากก็แสดงอยากได้ลาบยศเซลเซื่องนี่ก็เรียกว่าเป็นละเป็นวิเป็นภาวะตัณหา อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และความอยากไม่ให้เป็นก็มีอยากไม่ให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเรื่อร่างกายก็อยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ทำให้เราทุกข์เวลามันแก่เวลามันเจ็บมันก็ทาให้เราทุกข์ แต่ถ้าเราเฉยๆกับมันอ่ะมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์เนีที่ความหลงเนี่ยเราไปหลงคิดว่าเราเป็นมันเราคิดว่าเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่คนอื่นร่างกายคนอื่นนี่ที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหม mm hmm. เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายนี่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นเราเป็นของเรา ถ้าเป็นแฟนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ทุกได้เหมือนกันเนี่ยเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราแล้วยังอย่าไปยึดว่าอะไรเป็นของเราเป็นตัวเราเพราะไม่มีตัวเรานี่เป็นตัวที่มีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองที่เป็นตัวเราของเราแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอีกเมื่อปฏิบัตินึกเข้าไปตัวเราของเรามันไม่มีเลยมันเป็นเพลงความคิดเท่านั้นเองคิดขึ้นมาแล้วก็เชื่อตามความคิดเรา เ <C oughs> าพอหยุดคิดก็หายไปหมดเลยเี่ยเวลานั่งสมาธิที่มันเหมือนกันลบทุกอย่างออกไปหมดเลยลบทุกอย่างออกไปจากใจแล้วพอออกจากสมาธิมามันก็เริ่มคิดใหม่มันก็กลับมาเป็นของเราตัวเราไปใหม่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแก้มไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราะ สัพเพธรรมานตาพระเจ้าบอกไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างถ้าเราไปยึดไปถือว่าเป็นของเรามันจะเป็นสัพเพทุกข์ขขึ้นมามันจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปถือว่าไม่อะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราดัน้นเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเป็นของเราก็เป็นสมมุติ เราสมมุติกันว่าเออร่างกายนี้ของเป็นของเราเนะแต่ความจริงมันเดี๋ยวมันต้องไปแล้วมันเป็นของคนอื่นมันเป็นของศัพเปอร์เลยเดี๋ยวศัพเปอร์เลยก็มารับร่างกายนี้ไปอาจารย์จะ่ทำไมรู้ก็ยังทุกข์อยู่คะก็เนี่ยไม่มีกำลังหยุดมันไงก็ที่ท่าอาจารย์พูดแลหนูก็อ่านหมดแล้วก็นั่งสมาธิสิก็นั่งสมาธิแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ก็ตอนนั่งอะทำไมกก็ยังนั่งน้อยไปไงต้องนั่งบ่อยๆ นั่งจนกระทั่งเวลาออกมามันก็เฉยได้ถ้าไม่เฉยก็ใช้สติช่วยได้พุโทโธพุโทโธไปเวลาพอเริ่มทุกข์ก็ใช้พุโทโธได้เลยพอออกมาแล้วได้ยินเสียงคำดา่าก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปตอบโต้อย่าไปคิดว่าทำไมเขาต้องดาอ่าเราอย่างนู้นอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งยิ่งทุกข์ใหญ่พุโทโธอย่างเดียวหยุดไป เหมือนเสียงดังมันผ่านไปแล้วก็มาคิดอยู่นั่นเขาด่าเราแป๊บเดียวแค่วินาทีเดียวก็ผ่านไปแล้วบางทีเรามาคิดอีกไม่รู้กี่ร้อยรอบคิดอยู่นั่นเนอ่ยที่พูดถึงึอาการซึมเศร้าค่ะอาการสึมเศร้านี่มันเป็นอาการของจิตที่เป็น กิเลสความอยากาายมมไม่หรอกเขา<อ>ก็ว่าแปเพราะเขาไม่เห็นจิตเขาไม่รู้ตัวจิตเขาก็นี่มันไ อ, อไอสมองนี่มันเป็นตัวที่รับผลกระทบจากสภาพที่ไม่ดีของจิตไงเวลาจิตมีสภาพดีสมองมันก็จะเป็นแบบหนึ่งเวลาสมองไม่ดีเวลาจิตสภาพไม่ดีสมองมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ ง, ขงเขาก็เลยวัดที่สมองแต่ตัวที่ทําให้สมองเป็นเขาไม่รู้อยู่ที่ไหน ที่จะเป็นอย่างเช่นว่าทํางานหนักเนี่ยบานทีมันจะเพรียกันแล้วจะไม่ถึงเวลา น, นอนแต่เราจะนอน พ, พักพอเรานอนเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่ได้หลับอาหารแต่เราเราว่ขยับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ก็ได้ย ja ินเสียงลูกแบบก็ได้ย uh ินทุกอย่างรู้ทุกอย่างเลยแต่เราก็ลุกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพรียพยายามจะลุกแห้ได้ก็ลุกไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนกับผีอังใช่ไหมก็คือลุกไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนจิตมันจะมันรู้ตัวตลอดเวลาแต่มันลุกไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าออก ร่างกายที่มันขยับไม่ได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมใจเรารู้ทุกอย่างได้ยินทุกอย่างแล้วทำยังไงดีต้องสักพักมากๆหรือต้องใช้กําลังเยอะๆก็จะทําให้ตัวเองลุกออกมาได้เคยมาคิดดูว่าเราจะแยกจิตออกจากตัวเลยดีไหมเนี่ยแต่เราจะพยายามเอาใจเราออกไปแล้วให้ตัวที่มันลุกไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็เลยเหมือนตัวเราแบบบินวูบแล้วก็หล่นไปอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังออกจากตัวไม่ได้สักที อย่างนี้ค่ะพักใหญ่ๆแล้วจนกระทั่งมันถึงจะลุกได้เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยมากเป็นเพราะอะไรครับทรายไม่รู้เหมือนกันทรายก็ไมันเหมือนับบให้เราจริงๆจิตกับกายมันแยกกันได้จริงๆไหมเจ้าคะได้แต่มันไม่ได้ยากวิธีที่เราพูด่ยก็แยากก็อย่างที่บอกให้ตั้งสมาธิทําใจให้สงบแล้วมันก็แยกกันได้อย่างั้นหรือแยกกันเวลาตายอยเงี้ยมันก็แยกกัน แล้วที่คนเขาเคยบอกว่าเขาแยกจิตกับร่างกายได้ไม่จริงใช่ไหมคะก็เขาแยกด้การใช้ความคิดก็ได้ไง<ม>คิดว่าอ๋อร่างกายมีอาการ32ดินน้ําลมไฟอันนี้เป็นส่วนของร่างกายส่วนใจเป็นผู้รู้สึกนึกคิดอันนี้ก็เป็นใจอันนี้ก็แยกแบบจินตนาการหรือยากแบบเวลานอนหลับนี่ก็ยากเหมือนกันเวลานอนหลับจิตก็ปล่อยวางร่างกายให้ไม่ได้ใช้ร่างกาย แต่จิตก็ยังไปท่องเที่ยวด้วยความฝันได้อยู่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งของจิตพาไปไง<ม>คิดดีก็เป็นสวรรค์คิดร้ายก็เป็นนรกเนี่ยคือถ้าสุขก็เป็นสวรรค์ถ้าทุกข์ก็เป็นนรกไม่ออกคือมันไม่ได้อยู่ในร่างมันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราเห็นบอกว่าต้องเปลี่ยนย้ายร่างตายแล้วตายแล้วจิตเป็นเงินไม่อันนี้เป็นอันนี้กันเป็ น, ปนการเทียบเปรียบเปิดความจริงจิตกับร่างกายนี่อยู่คนละจุดกัน เชื่อมต่อด้วยกระแสจิตจิตนี้อยู่ในโลกทิพย์ทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยจิตขนะองคุณน้อนที่เราคนนี้อยู่ในโลกทิพย์แต่มันส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายมาเกาะอยู่ที่ห้าจุดเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>เพื่อรับข้อมูลทางตาหูจมูกนิ้นกายเ<ม>นี่ยถ้าถ้าไม่มีกระแสจิตมาเกาะ<ม>จิตก็จะไม่รู้ว่าร่างกายตอนนี้กําลัง อยู่ที่ไหนกําลังได้ยินเสียงกําลังเห็นอะไรจะมันจะไม่รู้มันเลยต้องส่งกระแสมาเรียกกระแสที่เรเรียกว่าวิญญาณในขันห้าเข้าใจไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณในขันห้านี่มีอยู่ห้าห้าทางทางตาหูจมูกลิ้นกายทางตาเราก็เรียกจักขววิญญาณทางหูก็เรียกโสตะวิญญาณเนทาง เสียงกลิ่นรสนี้ก็มีชื่อของมันเราจําไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีอยู่ห้าตัวอ่าเราส่งกระแสมาเกาะอยู่ที่ร่างกายอยู่คนละจุดกันถ้าเปรียบเทียบที่เคยใช้เปรียบเทียบก็คือฝุ่นกู้ระเบิดกับคนที่ควบคุมฝุ่นนี้มันอยู่คนละที่กันใช่ไหมเวลาเราจะให้ฝุ่นไปกู้ระเบิดเราไม่ไปกับมันใช่ไหมเผื่อมันพลาดเดี๋ยวมันระเบิดตมเราตายเราก็เลยใช้เครื่อง วิทยุบังคับมันสั่งให้มันไปอไม่ได้อยู่หรอกในร่างกายมันไม่มีอะคุณเป็นหมอมันผ่ามามันมีจิตตรงไหนล่ะพอใจอย่างก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยคนที่คนที่ขูมหุ่นกู้แลเบื่อกับคนกับคนนี่มันอยู่คนละจุดกันเนี่ีคนเป็นอัลไซเมอร์เหรออาจารย์ฮะ มันก็เป็นที่ร่างกายร่างก <It> s <S าย <f> สมองมันเสื่อมแต่จิตก็ยังอยู่ในโลกชีพแต่มันรับรู้ mhm <Burn. S 1> ไม่ได้ไม่เข้าใจหรือรัรู้ได้เข้าใจคือสมองมันไม่สามารถส่งข้อมูลไปให้จิตจิตจิตไม่เสื่อมไงจิตความคิดปรุงแต่งความจํามันยังอยู่แต่มันบ่งได้แต่มันไม่สามารถใช้ผ่านทางร่างกายได้เหมือนเหมือนรถเสียเหมือนเหมือนคนขับรถกับรถเนี่ยรถเสียแต่คนขับไม่ได้เสีย แต่คนขับก็ไม่สามารถให้มันขับไม่ได้คนเอาพือกามาพากันอย่างนี้ก็จาใครไม่ได้คือสัญญาก็ไม่มีก็มันผ่านทางสมองทางตาหูจมูกนิ้งกายมันไอกระสร์มันไม่ยอมส่งข้อมูลไปให้แสดงว่าคนกดรีมทยังกดได้แต่ไอช่องรับีมันเสียอ่าอาารยคนมีปัญหาเดี๋ยวกันเดี๋ยวยังไม่เดี๋ยนตอบไม่ไม่จบเดี๋ยว พอใจ ย, ยังให้รู้ว่าเนี่ยจิตกับร่างกายเนี่ยมันอยู่คนละโลกกันจิตกับร่างกายอยู่คนละโลกโลกทิพย์กับโลกกธาตุอย่างเวลานอนหลับนี่ร่างกายหยุดทํางานเนี่ไ่มโลกทิพย์มันยังทํางานต่อมันยังถ้าฝันดีกับมันกําลังไปรับผลบุญก็เรียกไปสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็ไปรับผลบาปไปอาบายไปนรกแต่มันเป็นสวรรค์นรกชั่วคราว พอร่างกายตื่นขึ้นมาปักมันก็กลับมารับเอาข้อมูลจากทางร่างกายไปใช่มันก็เหมือนกับตอนที่หีออมเนี่ยแสดงว่าอุปกรณ์มันเสียมันขยับไม่ได้แต่จิตมันก็ยังคงทำงานได้เออพราะว่าเส้นประสาทมนอาจจะป็นไม่พร้อมร่างกายมันยังไม่ตื่นแต่จิตมันตื่นแล้วเกือบเกือบจะเข้าใจ เห็ุนั้นเวลาร่างกายตายก็คือกระแสมันไม่สามารถส่งมาเกาะได้แล้วมันเกิดมันก็เลยต้องส่งกระแสหาร่างอื่นไงสุดท้ายมันมีโรคทิศอยู่ตรงเนี้เหรอคะอาจารย์โรคที่มันเหมือนกับมันมันคนละมิติกันอ่ะมันไม่ได้เป็นโรคทิเนี่ยมันไม่ต้องมีความกว้างยาวแคบลึกเหมือนกับโลกกระททกโรคทิศมันเป็นลูกของความคิดปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเั้นมัน มันไม่มีที่เหมือนมันไม่ต้องมีที่เหมือนเหมือนโลกกระทาตเหมือนร่างกายต้องมีที่ที่นั่งตรงนั้นที่นั่งตรงนี้แต่โลกทิพย์นี่ถ้าจะไปพูดว่ามันมีมีมีดวงวิญญาณแสนล้านดวงมันก็อยู่เหมือนก็อยู่ที่เดียวเป็นก็ได้อยู่คนละที่ก็ได้มันไม่มีที่เพราะมันไม่ต้องใช้ที่มันก็เลยเป็นคนมิติไม่สามารถที่จะเอามิติของทางโลกไปเปรียบเทียบกับมิติของทางโลกทิพย์ได้ก็เหมือนคูบาอาจารย์ที่คุยใช่ไหม ยเยพอร่างกายตายไปมันก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับจิตได้จิตมันก็เลยไปหาร่างกายอันใหม่ที่จะสามารถส่งข้อมูลให้มันได้ก็ไปรอดูท้องใครกําลังตั้งอยู่ <c oughs> เวลาเกิดการประสมพันธุ์ขึ้นมามันก็ไป ก, ก็เกิดปฏิสนธิขึ้นมามนก็อยู่ในอวิฏิเนี่ยไม่ได้ร่างกายแล้ว เข้าใจนะจิตถึงไม่ตายไงมีแต่ร่างกายที่ตายแต่แต่จิตมันยังรับผลบุญผลบาปเพราะตอนที่ร่างกายตายก็เหมือนกับตอนนอนหลับนะตอนนั้นไม่ได้ใช้ร่างกายนี้ผลบุญผลบาป ท, ที่เราทำมันจะออกมันจะเป็นตัวทำงานแล้วในเ่งนั้นถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญนั้นก็จะแสดงผลก่อนสร้างความสุขทำให้เราฝันดีฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นไปพบกับเหตุการณ์ที่ดีอะไรต่าง หรือถ้าผลบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะส่งให้เราฝันร้ายแล้วพอผลบุญกับผลบาปกำลังบุญกับบาปมันมีกำลังเท่ากันมันก็หยุดฝันมันก็มาเกิดใหม่มาได้น่างกายใหม่มาตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่มันก็จะทำยนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพระพุทธเจ้า พะเจ้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเลิกฝันแนละ้วหยุดฝันได้หยุดทำบาปทำบุญได้แนละ้วหยุดความอยากต่างๆได้แนละ้วจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆอ้าวมาถามอนเรื่องขอบการนั่งสมาธิกัค่ะพี่ ไปเลยเเหมือนไไวลานั่งสมาธิเลาให้ฟังมันจะนั่งยังไงหนูไปนั่งรูกัไปปฏิบัติที่วัดมาเออเวลานั่งทำยังไงมีพุทโธหรือเปล่ามีลมหายใจหรือเปล่าพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธตอนไม่มีลมไม่เกี่ยวกับลมทีม่หนูคิดไเกยวับม่ล่าหายไปหมดไปเรื่อยๆเลยอะค่ะอ่าแล้วไงแล้วก็มันก็จะเริ่ ม, มีอาการเจ็บปวดหนูก็จะพุทโธพุทโธพุทโธสู้อ่าแต่สู้ไม่ไหว ส็จพจนความรู้สึกหุ่ร้อนจนหนู่ก็ยังไม่ยอมออกะคะ่ะหนุก็พุโทโธสู้จนอยู่ดีอะคะ่ะหมือความรู้สึกมันเหมืนมันสบายแต่ว่ายังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ทรมานแล้วอ่วาใจสงบแล้วไงใจสง บ, สงบกิเลสที่มันต่อต้านความเจ็บมันหยุดทํางานไอความอยากที่จะให้ความเจ็บหายหรือความอยากจะลุกมันมันหยุดไปมันก็เลยสบายใจขึ้นมาพโด้วยอํานาจของพุโทโธไงพุโทโธหยุดมัน ถ้าเรามีพูดโธพูดโธมันก็จะในความอยากจะให้ความเจ็บหายไปมันก็จะหยุดทํางานพอหยุดมันก็รู้สึกเบาเย็นสบายแต่ความเจ็บของร่างกายก็ยังมีอยู่แต่ไม่สะเทือนใจไม่ใจไม่เดือดร้อนอออาไปไนั่นแหละอนั่นแหละก็คือได้ได้สมาธิในระดับหนึ่นะงแล้วก็ทําอย่างนี้ไปทุกครั้งเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พูดโธไปไม่ต้องไปกินยาแก้ป่วย จริงๆยาแก้ปวดมันไม่ได้มาแก้ร่างกายหรอกมันเพียงแต่นางับความปวดของของร่างกายแล้วมันทำให้ใจมันสบายขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าใจเราสบายกับความเจ็บเราก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้เพราะใจไม่ปวดเนี่ยก็ทำไปฝึกพุทโธไปเรื่อยทาบ่อยๆอย่าทิ้งมันทำนี้ได้แล้วพยายามทำต่อไปพยายามนั่งทุกวัน ทำทุกวันนั่งดูทีวีได้ทุกวันทำไมนั่งสมาธิทุกวันไม่ได้บางครั้งอะค่ะหนือ า, าครั้งนั่งเป็นชั่วโมงถึงจะรู้สึก ป, ปวดแต่บางครั้งนั่งแค่ 15-20 นาทีก็ปวดแล้วอะค่ะก็อยู่ที่ความอยากนงถ้าอยากจะลุกขึ้นมามาด่มันก็ปวดขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากมันก็นั่งไปมันก็ไม่ปวดหนูยากนะคะอาจารย์ถ้าปวดมากๆแล้วจะทำใจแบบให้รันสบายกับความปวดนี่คะเ ก็ต้องฝืนนยต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทางบ้านเ็าถามสักสองสามข้อก่อนก่อนจะปิดวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ youtube มีสิบสี่คนนะแต่อยู่ตลอดเลยได้ยินเสียงเลมหรือเบาได้ยินเบาๆาครับมีชารันชาวรันเข้ามา how you ชลรัน I I heard you plan to come to Thailand next month. I let me know. Give me a reply if you can. วันนี้เข้ามาเท่าไหร่สี่รอยสี่ิบห้าอ๋อมาเยอะนะวันนี้วันนี้ไม่มีใครว่าเสียงไม่ดังเลยใช่ไหมไม่ค่ะแชรันบอกมาว่าไฟ n ์ and f i n and will come in August to stay. There for two weeks โอเคคืออยู่ในออก็อยู่ศรีรังกาเราอยากจะมาอยู่ปฏิบัติที่บนเขานี่บนเขานี่มีแค่เท่าถ้าพระไม่ได้ใช้มีที่ว่างก็ให้เขาใช้กันให้ mm hmm. ที่นี่มีชาวต่างประเทศมาเยอะนะ mm hmm. ตอนนี้มีอยู่หลายคนเกือบสิบคน mm hmm. เป็นนั่งพระเป็นนั่งค า, ารา mm hmm. วาสแต่เป็นผู้ชายนะที่นี่เป็นของผู้ชายของพระอยู่ ผู้หญิงนะคะ ผ, ผู้หญิงที่บ้านป่าไม้มีต้องไปติดต่อที่ยามที่ประตูถามว่าดูว่าบ้านบ้านป่าไมนจะมาขอพักเป็นกฎใรมคะอ่าเป็นกฎเป็นหลังๆ ก, ก็มาฟังทำตอนบ่ายสองโมงอย่างเงี้ยแล้วส่วนเวลาอื่นก็ไปทำเอ ง, เองควบกลมใ จ, จเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมไป มันได้ที่ไหนก็ได้แต่บางคนที่บ้านมันวุ่นวายไงแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครยุ่งกับเราก็อยู่ที่บ้านก็ได้แต่คนที่เขามีคนนู้นคนนี้มีอะไรเยอะแยะบางทีเขารู้สึกว่าทํายากก็อยากจะไปอยู่คนเดียวองนี้เขาก็บางทีก็มาอยู่ที่ที่นี่ก็ได้หลวงพ่อคะถ้าโดยว่าจะมาแบบสาวันนี้นิสัยที่มันเป็นเผาบ้างเราจะไปอยู่กลมป่าไม้แบบสามวันนี้ไหมคก็ถามยามดูเลย ใช่ยางที่ประตูเนี่ยเขามีบ้านเราติดต่อรายละเอียดจากเขาเราไม่เราไม่รู้รายละเอียดไปตัดสินท่นี่ทุกวันไม่ไปไหนหรอคก็ตั้งแต่มาอยู่ปีสองสองเจ็ดนี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วว่าหนูมาทุกครั้งเลยเจอทุกครั้งเสมออนาคตเรารับรองไม่ได้แต่อดีตที่ผ่านมาก็แทบจะไม่ขาดเลยเนี่ตั้งแต่ถ่ายทอดสดตั้งแต่ทํารายการทำบ้านบนเขานี่เคยขาดไหม ยังไม่เคยนะสี่ปีแล้วมั้งทำมาตั้งแต่ปีห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์นี่จะเข้าจะครบสี่ปีแล้วอ่าก็ตอนต้นก็มีแต่สาวอาทิตยวนี้มีนวถ่ายทอดสดก็เดี๋ยวนี้มีทุกวันเลยอ่ะเรื่องของเราก็ตัดได้ทุกวันเหมือนกันอ่อ่าอยู่ที่บ้านก็เปิดดูบ่ายสองโงเฟรนด์ยุกฟาจา์สุชาติเนี่ยตอนนี้ก็เปิดดูได้ตอนนี้ก็เปิดดูได้อะเพียงแต่ ปิดเสียงไว้นะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะ <c oughs> เดี๋ยวเสียงมันจะชนกันเข้าไปเปิดดูผ้ากาสุชาติเราเปิดดูเสียจแล้วแต่คอยปิดเสียงไว้ก็แล้วกัน <c oughs> ดลดเสียงลงเดี๋ยวดูดวอ <นะ S 2> <ะ>๋ได้ไะดถ้ถ้าเกิดกรณีที่สองมีอันหนึ่งที่ถ้าเกิดแบบเวลานั่งภาวนาไปเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าพอมันสงบสงบไปแล้วเหมือนวูบเนี่ยไอ้วูบเนี่ยมันหลับหรือวูบแต่แต่ว่าความรู้สึกมันหายไปอ่ะถ้าเราไม่ดูก็แสดงว่าเราหลับ ถ้ามันถ้ามันเป็นสมาธิมันจะตื่นเต้นมันจะมันจะมหัศจรรย์ใจเหมือนเนี้ยที่ไม่คกี้เขาถามนี่ก็พูดโทพุดโธไปแล้วอยู่ๆดีๆมันก็นิ่งสงบความทรมานหายไปอย่างเงี้ยมันต้องสงบแบบนั้นต้องรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกก็แสดงว่าดับสงบดับในก็ได้นี่ว่าดับในก็ได้แแล้้ริงงตอกยัีคะถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็ต้องไปนั่งที่มันน่ากลัวด้วย นั่งป่าช้าที่ไหนมันน่ากลัวหรือมานั่งในป่าแบบเนี้ยเพราะมันกลัวมันมีสติสตังมันก็จะตื่นมันจะไม่หลับอะไรอย่างที่เรียกตบผวังนะคะคล้ายกันก็นี่ยผวังหลับกับผวังสมาธินะถ้าสมังสมาธิมันจะรู้มันจะประจักษ์ใจไม่หลับไปแล้วก็หลับไปเลยจะไม่หลับไปแ <c oughs> ล้วจะ่รู้สึกตัวได้ไงไม่อย่างที่การวูบอะค่ะอาจารย์นั่นแหละถ้าวูบก็ ส่วนใหญ่ก็หลับหลับแล้วก็เข้ามารู้สึกตัววัดรูปแต่ถ้าสมาธิมันมันจะไม่หลับมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลาอืมออันที่สองที่มีช่วงที่เคยมีช่วงหนึงที่จิตมันอุเบกขาม้ากมันอุเบกขาแล้วฉะนี้ว่าฟังเสียงวอลล์เลสเสียงวอลล์ไม่ให้มันเป็นแค่เสียงไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยะมันว่างมันโหงไปหมดเลยตอนช่วงจิตช่วงนั้นอาจมีความรู้สึกว่ามันอยู่มันอยู่ยากจังเลยไอ้ที่มันว่างโหงมากขนาดนี้ มันเลยแบบว่าถ้าเกิดอเราถึงขั้นนั้นขึ้นมาจริงๆอะ่ะขั้นตอนต่อไปไมันควต้องทำงอํำยังไงอ๋อก็พยายามรักษาความว่างความเป็นอุเบกขาไว้ด้วยการลดละความอยากต่างๆ <c oughs> เวลาอยากอะไรก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปทําอยู่เฉยๆอยู่กับความว่างดีกว่าได้มาแล้วได้ไม่คุ้มเสียแต่ว่ามันอยู่มันอยู่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเป็นความสุขที่แปลกที่เราไม่อยากอยู่เพราะว่าเราไม่ชินที่แบบ เออมันจะสุกก็ไม่มันมันรู้สึกมันว่างหงวจนจนมันมันมันอยู่มันมัอยู่ไม่ได้มันรู้สึกเหมือนอยู่ไม่ได้พอมันถูกดึงไปเพื่อนๆนดึงไปไปทํานู่นทำนี่แล้วทีความสุขมันก็เลยไปชอาไปอย่างนั้นแทนก็แสดงว่ายังไม่สุกจริงยังไม่สมาธิจริงใอ่ค่ะแตมันสุกจริงแล้วมันจะไม่อยากไปบางครั้งเรต้องต้องกลับมาทําให้มันอ่ทามันมากขึ้นทําให้มีสมาธิให้มากขึ้น ให้มีความสุขใจมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่อยากไปไหนไม่อยากจะมีอะไรแต่ว่าบอกว่าต้องต้องใ ห, ให้ให้มีความสุขจากสมาธิบ้างอไม่ใช่บ้างต้องมากมากเลยก็เลยคิดว่าตรงนั้นชื่อชานเป็นชื่อานที่ทําให้ไปถึงขั้นอุเบคามันก็เลยจะตกในให้มันมีความสุขจากพิติตร์แล้วไปถึงความสุขคือความสุขจกิจิความสุขคือความโอเบคาเนี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริง ปิติมันก็ชั่วข้าวปิติแล้วเดียวมันก็หายไปแต่ถ้าอุเบกขานี้มันจะสบายมันจะไม่กวนกวยกับซับกับใสมันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนั่นคือสตินั่นคืออุเบกขาเราต้องการตัวนั้นแล้วเราจะสบายกับทุกอย่างใครจะด่าก็สบายใครจะชมก็สบายใครจะขโมยเงินไปก็สบายใครจะแย่งแฟนไปก็สบาย คือเราอยู่ได้เราไม่ต้องมีอะไรเราก็เลยสบายไม่เดือดร้อนเนี่ยเราต้องการตัวนั้นอุเบกขา<ๆ>วันนี้มีทางบ้านขาไห ม, ยม เ, ยเยอะแล้ว<ๆ>วันนี้ทางบ้านของกันไปก่อนนะเพราะว่า <c oughs> วันนี้มีทางนี้ถามกันเยอะวันนี้เชเชิรันนเฟิร์มมาว่า yes yes o see you then ฉันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิศพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอนั้น